คือการไปไม่ไปนี้ความจริงมันก็ได้ทั้งส อ, งอยเนี่ยคือเราไปแเราก็ได้ไประโยชน์ไม่ไปเราก็ได้ถ้าเราเข้าใจว่าว่าเราไม่ไปเพราะอะไรหรือหรือเราสามารถไม่ไปได้เพราะว่าเราสามารถบูชาทั้งได้ที่นี่เราไม่ต้องไปที่หน้าอหน้าศพของท่าน ก, ก็เราก็บูชาท่านได้เหมือนกัน การบูชาท่านก็สนว่าการปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาที่แท้จริงขอให้เราปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านดำเนินมาที่ท่านสั่งสอนให้เราปฏิบัติให้เราทําให้ทานานักสักศีลภาวนานี่ก็ถือว่าเราได้บูชาได้บูชาพระพุทธเจ้าก็ทะสงช์ เป็นการบูชาที่แท้จริงคือปฏิบัติบูชา ة. จะจะอยู่ต่อนหน้าจะไปบูชาที่ต่อนหน้าก็ได้อยู่ข้างหลังก็ได้คืออย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถึงแม้จะเกาะชายผ้าเหลืองแต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็อยู่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าเป็นโยนถึงแม้จะอยู่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าเป็นโยนแต่ได้ปฏิบัติก็ถือว่าได้เกาะชายผ้าเหลือง ได้อยู่ใกล้พระพุทธญาณเพราะผู้ปฏิบัตินี่แหละจะเป็นผู้ที่เห็นธรรมผู้เป็นนิยมธรรมต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพ้นก็คือดวงตาเห็นธรรมก็จะปรากฏขึ้นเมื่อเห็นธรรมก็จะเห็นตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็น เห็นธรรมผู้ที่เห็นตถาคตเห็นธรรมก็คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่บูชาที่แท้จริงด้วยการปฏิบัติ บ, บูชาจังข้าสําคัญอยู่อยู่ตรงนี้อยู่ที่การปฏิบัติ บ, บูชาคือเมื่อเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนไม่ว่าจะจากพระพุทธเจ้าเองหรือจากพระอริยสงสารแล้วเรานำมาปฏิบัติ เราก็ได้บูชาอย่างแท้จริงเพราะพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีในการที่ท่านเสาะเวลาพอบรมสั่งสอนพวกเราก็เพื่อให้พวกเราได้มีดวงตาเห็นธรรมให้เราได้บรรลุธรรมได้บุได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนั่นเป็นเป้าหมายของการสั่งสอนของครูบาอาจารย์ ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงกุูบาาจารย์ในสมัยปัจจุบันถ้าไม่ปรารถนาอะไรจากเรามี่กว่าการที่จะเอ็นพวกเราได้บรรลุธรรมกันในได้หลุดพ้นจากความทุกข์เพราะนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดของชีวิตเราครัอาจารย์ของใจเราใจเรานี้ อยู่ภายใต้อำนาจของความทุกข์มาเป็นเวลาอันยาวนานนับไม่ถ่วนจะมีโอกาสได้หยุดพ้นจากความทุกข์แต่ละครั้งก็เมื่อได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาเจอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ยินได้ฟังได้พบแล้วถ้าไม่นำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็เป็นการเสียเวลาหรือเสียชาติเกิด เหมือนกับไก่ได้พลอยที่ไม่มีความสามารถไม่มีปัญญาพอที่จะเอาพลอยนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองได้ก็ได้แต่อาศัยตัวนอนตัวไส้เดือนเป็นอาหารพวกเราที่ได้มาเกิดแล้วเกิดเป็นมนุษย์ได้ได้พบกับพระพุทธศาสนานี่เหมือนกับได้ได้พบ เพชรพลอยดังที่เราเรียกพระพุทธธรรมประสงค์ว่ารัตนะรัตนะก็หมายถึงแก้วหรือเพชรนินจินดาสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อจิตใจของพวกเราเพราะมีพระพุทธธรรมพระสงค์นี้เท่านั้นล่ะที่จะสามารถนําพาให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ได้บรรลุธรรม ได้เป็นพระอริยบุคคลข่านต่างๆได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาปรากฏให้โลกได้กราบไห้บูชาได้ยึดเป็นสาระาแล้วสารโลกก็ยังจะต้องจมอยู่ในกองทุปไปยังไม่มีวันหยุดสิ้นจนกว่าจะได้พบ ก, กับพระพุทธศาสนาองค์ต่อไปจะเจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะเจอองค์ไหนก็ตาม ก็มีสถานภาพห ร, รือมีคุณค่าเท่ากันพราะพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ทสรงสอนพระธรรมเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ให้เราได้บรรลุธรรมกันทุกๆพระองค์ไม่มีความสอนของพระพุทธเจ้าใดาที่แตกต่างกันเลยทรงสอนให้ทําความดีทั้งหลายให้ถึงพรละบาปทั้งปวง ทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ไม่ว่าจะที่มีปรากฏขึ้นมาแล้วในอดีตก็ดีหรือที่จะมาปรากฏในอนาคตก็ดีก็จะสอนแบบเดียวกันคำสอนแบบเดียวกันสอนให้ปฏิบัติบูบชาเช่นเดียวกันแล้วล อ, องด้วยได้มีโอกาสได้มาเกิดได้มาเจอพระพุทธศาสนาแล้ว เราจึงไม่ควรที่จะปล่อยให้สิ่งที่มีคุณค่าต่อจิตใจของเรานี้ s ดุดจากมือเราไปโดยไม่ได้รับประโยชน์โดยไม่ได้ตักตวงประโยชน์จากจากพระพุทธศาสนาหน้าที่ของเราจึงอยู่ที่การศึกษาที่ว่าคันทัพธุระธุระของพวกเราก็มีอยู่สองธุระคันทัพธุระและวิปัสสนาธุระ พันธะธุรก็คือการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าวิปัสนาธุระก็คือการทําให้รู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมคำสอนในมรรคผลนิพพานในทางขั้นต่างๆก า, ารบรรลุ ธ, ธรรมนี่แหละจนเรียกว่าเป็นการเป็นการเป็นวิปัสนาธุระทาง ท, ที่ให้บรรลุก็มีอยู่ แปดชั้นเก้าขั้นด้วยกันที่เรียกว่ามรสีผลสีนิพพานหนึ่งมรกับผลนี่เป็นคู่กันก่อนจะได้บรรลุผลก็ต้องจเจริญมรม ก, ก่อนมรนี่เป็นเหมือนกับบันไดที่จะพาให้ขึ้นสู่อาคารชั้นต่างๆเช่นอาคารมีเก้าชั้นด้วยกันเราก็ต้องมีบันได อาคารมีแปดชั้นไม่ได่เก้าชั้นแต่ชั้นที่แปดนี้เป็นทั้งเป็นทั้งอหรหัตผลและเป็นอรหัตและเป็นพระนิพพานไปในขณะเดียวกันอย่าละชั้นก็จะมีบันไดที่จะต้องเดินขึ้นไปบันไดก็คือมากที่เราต้องเจริญกันให้มากนี่นอกจากเราต้องเจริญให้มากก็คือทานสีนภาณาทานแล้วก็ทํากันไปตาม กำลังของเราจากน้อยไปหามากศีลก็รักษาไปจากน้อยไปหามากภาวนาก็เช่นเดียวกันเมื่อทําไปมากขึ้นมากขึ้นจนถึงขั้นที่เป็นอริยามรรคขึ้นมาก็จะก้าวเข้าสู่ตัวอาคารเนี่ยตัวอาคารของมรรผลนิพพานเมื่อเราได้ก้าวข้าสู่ตัวอาคารแล้วทีนี้เราก็จะก้าวขึ้นสู่ขั้นที่หนึ่ง คือขั้นขั้นโสดาปฏิวัติบันไดขั้นที่หนึง่งก้าวขึ้นบันไดเมื่อก้าวขึ้นไปเรื่อยๆในที่สุดก็จะถึงขั้นที่หนึง่งก็คือขั้นโซดาโซดาบันยอย่างนั้นเราก็ก้าวขึ้นบันไดขั้นที่สองคือขั้นสกิดาคาร์มีมาจนถึงขั้นสกีดาคาร์ แล้วก็ก้าวขึ้นสู่บันไดขั้นที่สามคืออนาคารมักจนไปถึงขั้นพระอนาคารีจากนั้นก็ก้าวจากก้าวขึ้นบันได อ, อรหัตตมัคเพื่อให้ถึงขั้นอรหัและอรหัตผลหรือขั้นพระอรหันต์พอได้ถึงขั้นพระอรหันต์ก็จะถึงพระนิพพานในขณะเดียวกันขั้นอรหัต ผลกับพระนิพพา์นี้ก็จะอยู่ติดกันพอได้าอ า, าราธผลแล้วก็จะได้พระิพพา์เพราะจิตใจในขณะนั้นก็จะสะอาดโดยสุดเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นขั้นแรกก็จะสะอาดยี่สิบห้าเเซนขั้นที่สองก็ห้าสิบขั้นที่สามก็เจ็ดสิบห้าขั้นที่สี่ก็สะอาดร้อยเปอร์ซนเป็น บริสุทธิเป็นจิตบริสุทธิ์ที่ขั้นที่ขันที่หนึง่งขั้นที่สองขั้นที่สามเราไม่เรียกพระ น, นิพาเพราะว่าจิตยังไม่สะอาดบริสุทธิเต็มที่นั่นเองถ้าเป็นพระจันทร์ก็ยังไม่เต็มรวมยังจะไม่เรียกว่าจัเนเพนจันเพนก็ต่อเมื่อขึ้นสิบห้าขั้นแล้วอย่างเมื่อวานนี้ก็เป็นวันขึ้นสิบห้าขั้น เป็นวันก็ะจันร์เต็มดวงแต่วันก่อนอืน่วันก่อนนั้นเราจะไม่เรียกว่าวันพระจันเต็มดวงเราจะเรียกว่าขึ้นสิบสี่ค่ำขึ้นสิบสามค่าหรือวันนี้ก็จะเรียกว่าวันแรงหนึ่งค่ำนี่ก็เป็นเพียงชื่อของทำขั้นต่างๆเท่านั้นเองเวลาปฏิบัติมันก็จะไม่ได้มีมีมีป้ายบอกเราว่าตอนนี้เราถึงขั้นสุดยอดบัแล้ว เราถึงขั้นปฏิญาคามีแล้วหรือถึงขั้นอนาคามีถึงขั้นพระรหัแล้วแต่สิ่งที่เราจะรู้ก็คือว่ า, าสังโยชน์คือสิ่งที่ปกปิดใจของเราหรือผูกมัดใจของเราให้ดลงติดอยู่กับการเวียนร่ายตายเกิดนี่มันจะหลุดไปเป็นเป็นชิ้นๆไปเป็นเป็นอันๆไปเช่นขั้นพระ ขั้นแรกของของท่าสวดาบันนี้ก็จะไม่มีความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะมีดวงตาเห็นธรรมอย่างที่ได้พูดไว้พอพอปฏิบัติไปจนปัญญาเกิดขึ้นมาเห็นธรรมขึ้นมาก็จะไม่สงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์เพราะว่าผู้ที่เห็นธรรมก็คือพระพระสงฆ์นั่นเองผู้ปฏิบัติตีปฏิบัติชอบ่วน ธรรมะที่เห็นก็ก็จะเป็นธรรมที่จะทำให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เองอดี๋ยนี้เราก็ได้เป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าคือใจของเรานี้ได้ย่างเข้าสู่กระแสของพระอริยานได้รู้แล้วว่าความหลงที่ทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดนี้เราได้ได้ตัด ให้เบาบางลงไปแล้วคือเราได้ลสตัคายติทิการที่เห็นว่าร่างกายและขันหานี้เป็นตัวเราของเราตรงนี้เราได้พิจารณาเห็นแล้วว่ามันเป็นเพียงวิญ น, นาลงไปมันเป็นอนิจจงทุกข์อนัตตาคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปนี่ก็จะรู้อยู่ตรงนี้ถ้ามาเปิดอนัองสือจะเปิดตาราอาร่านดย แล้วพออ่านถึงสังโยชน์ที่สังโยชน์สิบประการที่ที่จะต้องตัดนพออ่านถึงขั้นแรกก็จะเข้าใจว่านี่เป็นขั้นของพระสุวรรณบันเป็นอย่างนี้เองคือพอมีดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธผู้ที่เห็นพระพุทธเห็นพระธรรมก็คือพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติเดียปฏิบัติชอบผู้บรรลุธรรมั้นี้ ก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าพระธรรมเป็นของจริงหรือเปล่าพระอริยสงฆ์นี้มีจริงหรือเปล่าเป็นจริงหรือเปล่าคนที่เขาพูดว่าเขาเป็นพระอริยสงฆ์นี้เขาพูดได้อย่างไรเราจะไม่สงสัยเราจะรู้ว่าเขามีคุณสมบัติอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเขาปฏิบัติยาวสามาตรสังโยชนแรกแรกก่อน สามรอบขันยกสามประการกายาทิฏฐิความแล้วก็วิธิตรฉาความสงสัยในย พ, พระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วอีกการหนึ่งก็คือศีลับพตตปาลมาตผู้ที่เห็นธรรมก็คือเห็นอนิยัสสินี่เองเห็นว่าทุกข์เกิดจากการการมีความอยากก็เห็นว่าทุกข์ดับด้วยการตัดดับความอยาก มเกิดด้วยสติด้วยปัญญาก็จะรู้ว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเพื่อมาลบล้างบาปหรือลบล้างความทุกข์เช่นคนเรา เ, าเวลาเกิดเกิดมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นกับตนอาจจะมีความสูญเสียในราบลดทรสพละสินสุขก็หาวิธี ป้องกันหรือแก้ไขด้วยการไปสดาะเคราะห์ด้ววิธีการต่างๆสุดแท้แต่ว่าจะใครจะสอนให้ทําบางคนก็ไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนบ้านด้วยด้วยทพิธีอะไรต่างๆที่ก็ทํากันซึ่งมันไม่ได้เป็นการที่จะสะดาะเคราะห์คือความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจได้ กาที่จะหลับความทุกข์ภายในใจได้ต้องยอมรับความจริงยอมรับความจริงว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเรานี้มันเป็นวิบากของเราไม่ว่าจะดีหรือจะชั่วมันเป็นเรื่องของวิบากของบาปและบุญที่เราได้ทํามาเรามีหน้าที่รับมันเท่านั้นเองรับมันแล้วใจข้งเราก็จะไม่อยากที่จะไปให้มันเป็นอย่างอื่น เราไม่มีความอยากที่ยั้งมันเป็นอย่างอื่นความทุกข์ทรมานใจก็จะไม่มีมันก็จะหับไปเราก็จะอยู่ได้ตามปกติไม่ว่าชีวิตของเราจะขึ้นหรือจะลงขึ้นเราก็อยู่ได้ลงเราก็อยู่ได้เพราะเราไม่ได้ยึดติดเรายอมรับความจริงของสถานภาพของชีวิตเราเกิดเราตกต่ำสูญเสียเงินทองไปครึ่งหนึ่งหรืออยู่ครึ่งหนึ่ง เราก็อยู่กับมันต่อไปได้ทีอคนที่การแขนขาดขาดขาดไปเราก็อยู่กับมันไปได้เพราะเราอยามรับความจริงเราจะไม่มีความอยากที่จะกลับไปอยู่แในสถานภาพเดิมเคยเป็นอย่างไรก็อยากจะกลับไปเป็นอย่างนั้นหรืออยากจะมีให้มากเพิ่มขึ้นอยากจะให้ดีกว่าเดิมอย่างนี้ถ้าเราไมู่้ความอยากเหล่านีเา้เกิดขึ้นภายในใจเราก็จะไม่มีความทุกขุ่นวานใจ แล้วก็จะอยกับเหตุการณ์ต่างๆได้ไม่ต้องไปสเสนอเคาะให้เสียเวลากา ร, รเสนอเคาะก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงได้ช่วงวานนี้ก็มีคนมาบอกว่าอยากจะขอเปลี่ยนนาชสกุเพราะชีมิตรตอนนี้ตกต่าําำนะเกิดเราเปลี่ยนเปลี่ยนมันก็เท่านั้นแหละไม่เปลี่ยนมันก็เท่านั้นนีมันไม่ได้อยู่ที่นามสกุลของเรามันอยู่ที่บุญที่กรรมของเราที่เราได้ทำอย่างนั้น หน้าที่ของเราก็อยู่ตรงที่เราอยอมรับมันไปนเถิดมันเป็นอย่างไรเราก็อยู่กับมันไปวิธีที่จะทําให้เราสบายใจขึ้นก็ให้คิดถึงคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากมากกว่าเราเราเราเรายังไม่ได้สูญเสียอวัยวะเราไม่ได้เสียร่างกายไปเราไม่ไม่เสียตาเสียแขนเสียขาไปเราไม่ได้เป็นโรคภัยเจ็บไข้ได้ัวดรุนแรงเราเพียงแต่ เสียโอกาสในการทามาหาจินที่จะให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปที่เราเป็นอยู่ท่านนี้เองถ้าเราคิดอย่างนี้แนละ้วเราก็จะยอมรับความจริงของเราได้นี่เป็นการเจริญรับด้วยใจสติปัญญาสอนตัวเราให้ยอมรับความจริงกับชีวิตของเราสถานะภาพของชีวิตของเราว่าตอนนี้เราเป็นอย่างไรเราก็รับมันไป ถูกคนเข้ากันแก้มเบียดเบียนขัดขวางไม่ให้ได้เจริญก้าวหน้ า, ามมก็ยอมรับมันแไปเ้วก็อยู่ของเราไปได้เราก็จะไม่เสียนอนจะไม่ทุกข์ไม่ต้องไปสร้างเวรสร้างกรรมไม่ต้องไปหาวิธีที่จะมาขจัดปัดป่อเพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกปัญหามันอยู่ที่ภายในขณะนื้เราไม่มีความสบายใจไม่มีความสุขใจ เพราะความอยากของเราเราอยากจะให้มันเป็นเป็นอื่นไปเราไม่อยากที่จะให้มันเป็นในสภาพนี้ท่านั้นเองถ้าเรายอมรับว่าสภาพนี้มันก็ดีเหมือนกันเราอยู่กับมันได้เท่านั้นความไม่สบายใจความทุกข์ทรมานใจมันก็จะหายใจเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรให้ให้เหนือนยากหรือถ้าอยากจะทําก็ขอให้เราทําบุญดีกว่า เคิดว่าเรามาทําบุญเพื่อสร้างเหตุที่ดีสําหรับสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นตามมาในภายภาคหน้าเพราะวิบากที่เรากําลังรับอยู่นี้มันก็ไม่เทีย่ยมมันก็มีหมดได้เมื่อมันหมดแล้วถ้าเราสร้างเหตุที่ดีไว้ไว้รอรับเราพร้อมวิบากอันนี้หมดไปเราสร้างเหตุที่ดีผลของเหตุที่ดีที่เราสร้างในวันนี้ก็จะราเราอยู่ ถ้าเราไม่สร้างมันก็จะไม่มีอะไรรอเราอยู่มันก็จะเป็นเหมือนเดิมเราเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปนี่คือวิธีการการการเห็นธรรม เ, เ, เห็นเหในใจเ้าเนี่ยเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์ส ม, มุทัยนิโรธมรรคว่ามันอยู่ภายในใจของเราถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราจะไม่ต้องไปทําพิธีกรรมอะไรต่าง <c oughs> เสียเลามาทําใจกันทำนนเองรู้จักทําใจแล้วก็หมดปัญหาไปขอให้เกิดปัญหามากน้อยเท่าไรเราทําใจได้เสมอคือให้คิดว่ามันไม่เลวกว่าที่กําลังเป็นอยู่เช่นคนเขาไม่ชอบเราก็คิดว่าเขายังไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเราก็คิดว่าเขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็เขายังไม่ฆ่าเรา คิดนี้แล้วเราก็จะสมายใจเราก็จะดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปทําพิธีสะเดาะเคราะห์กรรมต่างๆนี่คือเรื่องของคนที่มีดวงตาเห็นธรรมจะเห็นอย่างนี้เมื่อเห็นแล้วก็จะไม่สงสัยในเรื่องของกฎแห่งกรรมก็จะตั้งมั่นอยู่ในการทําแต่ ความดีอย่างเดียวถึงแม้จะตกทุกข์ยากๆขนาดไหนก็จะไม่ไปทําผิดสิ่งผิดธรรมเพื่อที่จะยกฐานะของตนให้ดีขึ้นเช่นมีคนมาเสนอให้เราได้เงินเพิ่มขึ้นถ้าเราทําผิดสิ่งทอดยันค้อนอ เ, รเราก็จะไม่อยอมทําเพราะเรารู้ว่านี่มันไม่ได้เป็นการพัฒนาไม่จะเป็นการสร้างเหตุที่ดีสร้างความสุขแต่เป็นการสร้างเหตุที่ไม่ดีคือ สร้างความทุกข์ให้ทับเราที่จะต้องตามมาต่อไปดังนั้นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมผู้ที่ละสามโยทั้งสามนี้ได้<ม>ก็จะรักษาสิหาย่างมั่นคงอยอมรักษาศิหายิ่งกว่าชีวิตถ้าจะต้องอดข้าวอดตายก็ยอมอดตายดีกว่าที่จะไปทาบาปทํากรรมเพื่อที่จะรักษาชีวิตของตนไว้ อันนี้สมของผู้ที่มีดวงตายทำนี้ทา่านหลวงไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่างไปเพราะจิตนี้มีความแน่วแน่ต่อการรักษาศีลําไม่ละเมื่อศีลห้าโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นอะไรในกรณีใดก็ตามก็เลยไม่ต้องไปเกิดในอบายพวกชาติที่เหลือก็ไม่เกินเกิดชาติเป็นอย่างมากเพราะดูแล้วว่า งานที่จะต้องทำของตนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ในอริยสัจสีนี่อยู่ในใจที่ใจยังมีสมุทยัยที่ยังละไม่ได้อยู่อีกสมุทัยนี้มีสามมีการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภวตัญหาตอนนี้ยังละไม่ได้หมดขั้นต่อไปก็จะพยายามละตัญหาทั้งสามนี้ให้น้อยลงไปเช่นการมาตัญหาก็จะตัดให้น้อยลงไป ด้วยการจเจริญอสุภกรรมฐานพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายให้ดูสภาพที่ไม่สวยงามของร่างกายบ้างอย่าไปดูแต่ส่วนที่สวยงามเพียงอย่างเดียวเพราะเวลาเห็นส่วนที่สวยงามแนละ้วก็จะเกิดราคะขึ้นมาเกิดการมราคะเกิดการมา ร, าารมาตัญหาเกิดความคล่ายความยินดีนี่อยากจะได้เสกความสุขกับ ภาที่สวยงานมนั้นรูปที่สวยงามหนึ่งแต่พอพิจารณารูปนั้นพิจารณาความไม่สวยงามของรูปนั้นเช่นเวลาแก่เป็นอย่างไรเวลาหนังเหี่ยวย่นเป็นอย่างไรผมเผพ้วกลายเป็นสีขาวหรือพิจารณาดูอาการที่อวัยวะต่างๆที่ถูกต้อนไว้อยู่ภายใต้ผิวหนังเช่นโครงกระดูกหรือตับตายร้าพุง หรือสิ่งปฏิกูลต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกานี้ก็จะสามารถที่จะทำให้ความรู้สึกกำนัดยินดีนี้ลดลงได้ถ้าสามารถพิจารณาได้ได้ตลอดก็จะได้ก็จะตับได้หมดถ้ายังพิจารณาไม่ได้ตลอดเวลาก็จะมีมีการเผยบ้างมีการ มีมีปัญญาบ้างเวลาเผยก็จะเห็นว่าสวยก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาเวลาที่มีปัญญาเห็นเป็นอสุภะก็จะดับอารมณ์นั้นได้ขัน้นนี้ท่านก็เรียกว่าเป็นขั้นของพระสกิฬาคันคือสามารถทำให้การนราคะเบาบางลงไปคือสมมติถ้าเป็นน้อยเปอร์เซ็นต์นก็เหลือสักห้าสิบปอร์ซ็น ใจก็ยังไม่หมดไปบางเวลาถ้าเถอก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาถ้าไม่เถอถ้ามีอสุภะคอยคอยคอยสอนใจอยู่ก็จะไม่เกิดอารมณ์ขึ้นมานี่ก็เป็นขั้นที่สองที่เรียกว่าขั้นของพระส ก, กิรากามท่านนี้ต้องจเจริญอสุภะตั้งต่ฐานไปนเรื่อยๆเจริญไปพอ เกิดการมาลาทะขึ้นมาถ้าไม่เผอก็สามารถที่จะระงับดับได้ชั่วคราวถ้าเผอก็จะสู้ไม่ไหวก็ยังจะเกิดมีอารมณ์ความค่ายความอยากอยู่ถ้าอยากจะทำให้อารมณ์ความค่ายนี้ดับไปหมดก็ต้องพิจารณาอย่างต่อเนื่องทุกลมหายใจเข้าออกจนสามารถรู้ทัน สมุทัยคือการมั่งาคานะรล์นเวลาเห็นภาพอะไรพอจะปูงแต่งว่าสวยงามปก็จะมีอสุภะขึ้นมาขึ้นมาต่อต้าน ท, าทันทีขึ้นมาต่อสู้ ท, ทันทีถ้าเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปความคิดปรุงแต่งว่าสวยว่า ง, งานมันก็จะหมดกําลังไปเพราะมันจะถูกความคิดปรุงแต่งที่ว่าไม่สวยไม่งามมาทัดค้างอยู่ทุกครั้งไป ทำนี้ไปเรื่อยๆต่อไปการมรรคะก็จะหมดไปจากใจคำนั้นก็เรียกว่าเป็นขั้นของพระอนาคามีขั้นพระสกิรานามีกับขั้นพระอนาคามีนี้เป็นขั้นที่เกี่ยวเนื่องกันยด็กเจริญมากในตัวเดียวกันก็คืออัศวะกรรมฐานพิจารณาอสุภะพิจารณาปฏิูปุาไม่สวยไม่งามส่วนใหญ่นี่จะ จะเป็นพวกนักปฏิบัติถือศีลแปดหรือนักบวชกันมากกว่าการวาผู้คลองเงีนนะคารวาผู้คลองเงินนี่ยังไม่มีปัจติปัญญากำลังมากพอที่จะเจริญอสุภะกรรมฐานได้เพราะอานาจของกามาาคานี่ยังมีกำลังมากกว่าแม้จะเป็นพระโสดาบันถ้าถ้าไม่สนใจก็ยังจะติดอยู่กับ ติดอยู่กับการมราคะาเพระโสดาบนจึงยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่ได้มีครอบครัวได้มีสามีมีภรรยาแต่เมื่อเมื่อจิตใจได้พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็จะเริ่มเห็นปัญหาว่าการมราคะนี่มันก็เป็นปัญหาเพราะมันให้ความสุขได้แต่ในขันย์เดียวกันมันก็ให้ความทุกข์ได้ เวลาที่เกิดทางอย่างแล้วไม่ได้เสกมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้ามื่ถ้าเห็นอย่างนั้นแล้กกว ก, รราาก็จะเริ่มเกิดความเดื่อดหน่อยในกลางเมลาระคาจะเริ่มเจริญอสุภกรรมฐเมื่อเจริญไปแล้วก็จะค่อยทําให้กลางวมลาระคานี้เบาบางไปแล้วก็จะทําให้ปฏิฆะคือความหงุดหงิดนองคานใจนี้เบาบางตา ม, มไปด้วยเพราะทั้งสอง คือการมาราคะกับปฏิฆะค า, ามหงุดหงิดใจนี่เป็นของคู่กันอย่าคนที่มีการมาราคาะบางแก้วมีความหงุดหงิดใจเวลาที่อยากจะเสพแล้วไม่ได้เสพก็เกิดอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีความอยากที่จะเสพอารมณ์หงุดหงิดมันก็จะไม่มีตามมาอย่างพระอนาคามีนี้ก็จะตัดการมาราคะกับปฏิฆะด้านบน จะไม่มีความรู้สึกหนุเหยียดกับเรื่องเรื่องเพศสัมพันธ์ไดๆเพราะไม่มีวามไม่มีความอยากที่จะเสก <c oughs> ถ้าเป็นนักบวชก็สบายพระนุ่งรัเวลาบวชใหม่ๆพระอุปชาถึงต้องสอนกรรมฐานห้าสอนเกนสรลงมานาคาฐานตาตาโจเป็นอาการห้าส่วนของร่างกายที่เห็นด้วยตาคืออยู่ภายนอก เป็นการสอนจุดเริ่มต้นของการการเจริญอสุภะนี่เองว่าเมื่อบวชแล้วให้พิจารณาให้มากอาการสาสิบสองเริ่มต้นด้วยกรรมาฐานห้าคือเริ่มต้นที่ผมขนและฟันหนังเนื้อองกระดูกหนังเนื้อถึ ง, ถ, งถึงผมขนและฟันหนังแล้วต่อไปก็ให้พิจารณาข้อแตกใต้ถุวหนังมีเนื้อมีแอมีกระดูก มีว่าหัวใจมีกลับมีคำคือตายก่อดสร้างใหญ่สร้างน้อยอาหาใหม่อาหารเก่าเยือะในสมองศีรษะน้ำน้ำดีนะำทะเลน้ำเหลืองน้ําเลือดน้ำเหนียน้ำมันก้นน้าตาน้ํามันเหลวน้ําลายน้ํามุกน้ํำไขข้อน้ํามูดมีเป็นสิวส่วนที่เป็นอสุภะเป็นปฏิกลงที่มีอยู่ภายในร่างกายให้พิจารณาโดยอนุโลม คือพิจารณาต่างเข้าไปแล้วก็ปฏิโลมก็ถอนถอยออกมาไปทั้งนุง่งโลมปฏิโลมพิจารณากลับไปกลับมาจนระทั่งมีอยู่ในใจตลอดเวลาเรามีกรรมฐานมีอสุภกรรมฐานนี้อยู่ในใจตลอดเวลาความรู้สึกความค่ายุ่งอยู่ราคาปัญหานี้ก็จะไม่มีกําลังที่จะสามารถ โผล่ขึ้นมาแล้วัตถูุอำนาจของของของอสุภกรรมฐานนี้ครอบงำอยู่มันก็ไม่โผล่ขึ้นมาแต่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันไม่ตายท่านก็สอนว่าให้ให้ทดสอบดูด้วยการนึกถึงภาพสวยงามขึ้นมาดูเราดูว่าอสุภะกรรมฐานนี้จะดับมันได้หรือไม่หรือบางทีเราพิจารณาอสุภะไปจนกระทั่ง รู้สึกว่ามันไม่มีความอยากาหลาเหลืออยู่เลยแต่เรายังไม่รู้ว่ามันตายจริงหรือไม่เราก็ลองปลุก ม, มันขึ้นมาดูลองนึกถึงภาพสวยๆงามๆแล้วดูซิว่าเราจะเกิดอารมณ์หรือเปล่าแล้วเมื่อเกิดอารมณ์เราจะดับมันได้หรือเปล่ามีเป็นการทดสอบอีกทีหนึ่งพิจารณาพอพิจารณาพิจารณาว่าสวยหรืองา ม, ามพอเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็ เอากรรมฐานมาดับมันได้ไหมทำไหมถ้าดับได้ต่อไปก็รู้แล้วว่าไม่เป็นปัญหาต่อไปในเรื่องของกามรมลาคหรือหือปฏิฆะหรือก็จะได้บรรลุธรรมขั้นพระอนาคามีถ้าเป็นพระเศรกฐีกาคามีท่านก็บอกว่าพบชาติก็จะเหลือเพียงชาติเดียวเป็นอย่างมากสมมุติว่าถ้ายังไม่สามารถบรรลุเป็นพระอนาคามีได้แล้วตายไปก่อน ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอีกชาติเดียวเท่านั้นเพราะจิตนี้ไม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตก็ยังหมุนธรรมะที่มีอยู่ในจิตก็ยังหมุนต่อไปหมุนเท่าที่จะตัดพพชาติตัดมรรจฐ์ตัดตัญหาที่มีอยู่ในใจอยู่เพราะงานนี้เมื่อมันเริ่มแล้วมันเหมือนไฟที่ได้ที่มันเริ่มไหม้แล้วมันจะไม่หยุดมันจะไม่หยุดไหม้จนกว่าเชื้อที่มีอยู่นั้นถูก ไม่ไปจนหมดสิ้นเนี่ยพอมีธรรมะปรากฏขึ้นประกาขึ้นมาในใจนะมันก็จะเริ่มเผากิเลสตังหาไปเรื่อยๆจนกว่ากิเลสทังหาจะถูกเผาผลาญไปหมดไม่ว่าจะอยู่ในภพใดก็ตามก็ยังทำงานต่อไปถ้าเป็นสวรรั์าตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะทําก็จะก็จะเจริญปัญญาต่อไป จะเลยมากต่อไปโดยที่ไม่ต้องมีใครสอนนมันจะรู้ของมันเองว่าปัญหาในใจนี้มันมันมันนมมีอะไรเป็นปัญหามันจะรู้ว่าเป็นความอยากความอยากต่างๆทําให้ใจกระสับกระสากนกาะวนเกาะวายวุ่นวายกังวลวิตกทรมานเนี่ยมันอยู่ในใจทั้งสิ้นแต่ไม่ไปไปแก้ปัญหาภายนอก จะ แ, แก้ปัญหาภายในคือตัดความอยากต่างๆถ้าอยากในการก็ต้องตัดรู้ว่าความอยากในการนี้มันเป็นโทษถ้าอยากมีอยากเป็นก็ต้องตัดไม่อยากมีอยากเป็นให้อยู่ตามธรรมดาตามตามมีตามเกิดจะเป็นองไนก็ได้เป็นหัวก็ได้เป็นหารก็ได้เป็นใหญ่ก็ได้เป็นเล็กก็ได้อันนี้ไม่สำคัญข้อสาคัญก็อยากให้มันอยากเท่กัน ถ้ามันจะเป็นใหญ่ได้บารมีก็ก็ปล่อยมันเป็นของมันไปบางทีกลับมาเกิดได้เป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็เป็นไปไม่ได้ไปอยากให้ไม่ไม่เป็นเป็นอะไรก็เป็นไปถ้ามันไม่อยากจะใหญ่แบบนี้ก็ใช้ได้อย่างเจ้าชายสิทธัตถะก็ไม่อยากจะไปเป็นไม่อยากจะไปเป็นมหกษริมหาจักรพรรดิเพราะรู้ว่ามันเป็นปัญหาท่านก็ ละความอย่างนั้นแล้วก็ละความละความยึดติดในสถานภาพของของเจ้าชายจิตต ถ, ถาเพราะมันมันติดอยู่ในกลางมโนสุขนั่นเองมันยังมีปัญหาอยู่ก็ตัดมันด้วยการออกบวชเนี่ยจิตมันจะทำงานของมันไปโดยที่ไม่ต้องมีใครมาสอนมันมันรู้ปัญหาว่ามัอยู่ภายในใจ ถ้ามีครูมีอาจารย์ที่ที่เก่งกว่าที่เคยผ่านมาแล้วนี่ถ้าได้พบพอคุยกันก็จะรู้ว่าเออคนนี้จะช่วยเราได้เพราะท่านท่านผ่านมาแล้วถ้าเจอคนที่รู้ก็จะอาศัยคนที่รู้นั้นช่วยสอนต่อไปถ้าเจอคนที่ไม่รู้ก็จะไม่อาศัยเขาคุยกับเขาไม่นานก็จะรู้ว่าเขารู้ไม่รู้เรื่องเรื่องอริยสัจสีที่มีอยู่ภายในใจนคนที่รู้นี่พอคุยกันคำสองคาก็รู้ เ้าจะรู้ว่าเขารู้มากกว่าเราเร่รู้ น, อน้อยกว่าเราเรารู้เท่าเราก็ถ้ารู้ว่าเขาเขารู้มากกว่าเราเราก็จะได้ยึดเขาไว้เป็นเป็นที่พึ่งเป็นครูเป็นอาจารย์ต่อไปเพราะมีครูมีอาจารย์นี้มันจะช่วยทําให้การปฏิบัติของเรานี้ยก้าวง่ายขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วพอเราติดตรงไหนเราไปถามท่านท่านก็จะบอกเราได้ ท, ทันทีเลยว่าจะต้องทำอย่างไงบ้าง แต่ถ้าไม่มีก็ต้องอาศัยตัวเองทำทางไปแต่พระโสดาบันไม่ต้องอาศัยใครก็ได้สามารถที่จะปฏิบัติไปตามลำพังของตนจนจ น, จนบนรรลุได้เช่นพระอนุ น, นี้หลังจากที่พระพุทธเจ้าเ ส, เสด็จเสด็จขันธ์ท้าวบานีผ่านไปแล้วพระอนุนก็ทรงปฏิบัติตามลพังอยู่สามีอยู่ด้อยกันแต่ แต่มีพระธรรมคาสอนของพรจะพุทธเจ้าฝังอยู่ในใจแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เอามาปฏิบัติเท่านั้นเองยังเป็นสัญญาความจำอยู่ยังไม่ได้เป็นความจริงเพราะเอามาปฏิบัติด้วยการปฏิบัติบูชานี้ปฏิบัติไปไม่ไม่นานภายในสามเดือนก็ได้บรรลุถึงขั้นสูงสุดได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตัวนี่คือ คือผลที่จะได้นับจากการปฏิบัติบูชาคือเราจะได้นับสี่ผลสี่และนิพพานเป็นรางวัล น, นี่คือรางวัลที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้แก่พวกเราถ้าเราบูชาพระพุทธเจ้าเราก็จะได้รางวัลรางวัล น, นี้คือ ม, มักสี่ผลสี่นิพพานเนี่ยเพราะฉะนั้น ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ขอให้เรามองไปตรงนี้มองไปที่ปฏิบัติ บ, บูชาถ้าเราอยากจะิบูชาแต่เราไม่สามารถไปบูชาถึงที่นั้นได้เราก็บูชาที่ตรงที่เราอยู่ได้เช่นเราอาจจะไม่สบายหรือมีอุปสรรคไม่สามารถเดินทางไปในสถานที่เขามีการทำบุญได้เราก็ทำ ตรงที่บ้านตรงที่เราอยู่ได้ฝากเงินไปทําบุญกับคนที่เขาตายได้ก็ได้หรือรักษาศีลอยู่ที่บ้านก็ได้หรือภาวนาอยู่ที่บ้านก็ได้เพียงแต่พิจารณาเกิดแกเ่เจ็บตายนี่ก็ถือว่าได้บูชานะเพราะกําลังเจริญมากทุกครั้งที่เราพิจารณาว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องตายต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาต้องพัดภาคจากการเป็นธรรมดา สิ่นที่ตาก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟถ้าเราพิจาร่าอย่างนี้เราก็จะเลือนมากความทุกข์ความมุ่นหมายใจที่เกิดจากการสูญเสียนั้นก็จะเบาบางลงไปหรือจะไม่มีความรู้สึกเสีย อ, อกเสียใจหรือทุกข์เจ้าโสกเสียใจเลยเพราะรู้ว่าสิ่งที่เสียไปนั้นมันไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเท่านั้นเอง บุคคลที่เรารู้จักนั้นเขาไม่ได้เสียการกับยินน้าเงินไปบุคคลที่เรารู้จักเขาก็ยังอยู่ของเขาตามสถานาภาพของบุญของบาปที่เขาทำอยู่ถ้าจิตเขาถึงขั้นพระนิพพานเขาก็อยู่ที่พระนิพพานถ้าเขาอยู่ข้างพระอนาคามีเขาก็อยู่ขัานนั้นเขาก็อยู่ตามสถานาภาพของขอ ง, ของบุญกุศลที่เขาได้ทำํำอะไร พครมาทำบาปเขาจะต้องแปลนรกมันก็เป็นสถานภาพของเขาที่ไม่มีใครที่จะไปไปห้ามหรือไปเปลี่ยนแปลงได้เพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมเป็นความจริงตายตัวไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาสั่งสอนหรือไม่กระตานกฎแห่งกรรมนี้ก็ยังเป็นกฎแห่งกรรมอยู่เช่นเดียวกรรันพระพุทธเจ้าไม่ได้มามาเปลี่ยนแปลงกฎแห่งกรรม เพียงแต่มาสอนให้รู้ว่ามีทางเลือกคือกรรมนี่มีสองทางด้วยกันใงนี่ยโอเคทางทางที่เลือกาทางแห่งบุญกุศลกับทางแห่งบาปถ้าไปทางบุญกุศลก็จะได้ไปสู่ความสุขความเจริญสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายถ้าไปทางบาปก็จะไปสู่ความทุกข์ความทรมานใจน อย่างไม่มีสิ้นสุดนี่คือนี่คือพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย <c oughs> พวกเรานี้ถือว่ามีโชคมีบุญมีวาสนาที่ได้มาพบกับคำสอนอันประเสริฐนี้ถ้าเรามีศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อต่อเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น คือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศาสนาย่อมมีการเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาย่อมมีมาปรากฏให้เรากราบไหว้บูชาแล้วก็เสื่อมจากต่อไปแต่จิตทางของเรานี้จะไม่เสื่อมจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้อยู่ในใจของเราถ้าเราทําเราธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังจากภายนอกเข้ามาเจริญมาปฏิบัติ ต่อไปถ้าทำาํำคำสอนนี้ก็จะอยู่ในใจของเราและเป็นที่เพึ่งของเราถ้าเราได้พระพุทธระธรรมพระสงฆ์ในใจแล้วถ้าพุทธพระธรรมพรสงฆ์ภายในจะเป็นอย่างไรก็จะไม่ทําให้จิตใจของเราหวั่นไหวเช่นบางคนเห็นศาสนาเสื่อมลงก็เกิดความตกใจเช่นไปประเทศอินเดียเห็นสภาพประคับปาะงของของพระพุทธศาสนาที่เกิดเจริญโน่มเอียง ก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่าการไปพระพุทธศาสนาในประเทศไทยของเราก็จะเจริญจะก็จะเสื่อมลงไปถ้าเรามีจักรทาที่แน่วแน่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจนะเราจะไม่หวั่นไหวกับความเสื่อมของพระพุทธศาสนาภายนอกเพราะเราได้พระพุทธศาสนาเข้ามาไว้ในใจของเราแล้วและเรารู้ว่ามันมีแต่จะเจริญขึ้นไปโดยถ่ายเดียว จะไม่มีทางเสื่อมต่อไปผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมนีก็คื อ, คอมีเป็นผู้ที่มีาศาสนาอยู่ในใจแล้วรู้อยู่แล้วว่าไม่เกินเจตคต์เป็นอย่างมากก็จะสามารถที่จะทำให้ศาสนาที่มีอยู่ภายในใจนี้จะเริยน ร, ร่้เรือนได้อย่างเต็ม<า>ที่อยู่ที่ตัวของของเรานี้เองที่จะปฏิบัติด้วยการวิริยะอุสาหาภาคี ไม่ท้อแท้ไม่หวั่นไหวต่อสภาพต่างๆต่ออุปสรรคต่างๆที่ขวางกัน้นเพราะรู้ว่าทำย่อมชนะอธรรมพระพุทธเจ้าชนะมาแล้วชนะมานมาแล้วพระอริยรสงสางรุทธะมา ก, ก็ชนะมานมาแล้วเราก็สามารถที่จะชนะมานได้เช่นเดียวกันเพราะธรรมนี้เป็นธรรมอันเดียวกันเป็นอาการิโก ไม่มีวันเสือ่อมตามวันเวลามีอำนาจมีฤทธิเดชอย่างไรในสมัยพระพุทธการในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีอานาจมีฤทธิ์มีเดชเช่นเดียวกันอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นเองว่าเราจะใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้หรือไม่เท่านั้นเองถ้าเรามีความขยันมีความอดทนที่จะบาเพ็ญต่อไปไม่หยุดยัง้งจนกว่าจะหมดลมหายใจรับรองได้ว่า สักวันหนึ่งเราก็จะได้พบกับความเจริญขั้มสูงสุดอย่างแน่นอนดึงนั้นขอพวกเราทั้งหลายจงพยายามยึดติดในการปฏิบัติให้เป็น ป, ปฏบิบัติบูชานี้ไปตลอดแล้วเราจะได้มีแต่ความเจริญ <c oughs> โดยทางเดียวการแสดงก็เห็นว่าสมควรขอหยุดไว้ก่อน มอยู่กับหลวงตาท่้นก็พูดอยู่เรื่อยๆูบาอาจารย์ท่านก็ร่วงโรยไปเรื่อยๆเี๋ยว เ, เราองสององังเกตุทำไมนั่นก็ตามที่อยู่ตนั้นลงปู่ขาวก็ยังอยู่หปู่เทพยังอยู่หลงปูกข้านก็ยังอยู่นะครับเขาเอาเงิเสียเองเสี ย, ยทั้งเราหล า, ลานั้งกระลาวเนีนะ่ยก็เป็นอต้นไม้ลายไม้มันก็ค่อยๆร่วงร่วงไปเรื่อยๆร่วงไปเรื่อยๆวเราไม่ควรที่จะประหม่านองใจ เราก็ไม่รู้ว่าจะล่วงไปเมื่อไหร่ชีวิตของเราก็ก็แก่ลงไปเรืเ่อยๆกาลังวังชาที่จะปฏิบัติก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆนั้นเราควรที่จะรีบขนขวายควรที่จะตัดในสิ่งที่มันไม่เป็นสาระที่ไม่เป็นประโยชน์กับกจิตใจของเราทําในสิ่งที่ที่เป็นประโยชน์ถ้ายังต้องทํางานก็ทําไปแต่อย่าไปแสวงหาราภยุคผลเสื่อมสุ เป็นเป้าหมายก็แล้วกันทํางานเพื่อหาเงินหาทองมาเลี้ยงดูร่างกายเพื่อเราจะได้เอาร่างกายนี้มาปฏิบัติธรรมถ้ามีเงินเหลือก็เอามาทํำดุลให้ทางถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกังวลถ้าจําเป็นจะต้องเก็บไว้เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติธรรมก็เก็บเอาไว้เพราะบางคนอาจจะไม่สามารถบวชได้ก็ยังต้องอาศัยเงินทองไว้สําหรับดูแลรักษาชีวิตร่างกาย ก็ต้องมีไว้คนที่ไม่มีความจําเป็นด่วนได้มีเท่าไหร่ก็สละไปหมดพอละา่วนก็ไม่ต้องมีอะไรติดตัวไปไม่ต้องมีอะไรเก็บไว้ให้มาเป็นภาระกังวนมันจะเป็นตัวถ่วงเหมือนเรือที่ติดเครื่องจะวิ่งแนละ้วแต่ไม่ยอมถอนสมอมันก็วิ่งไปได้แต่มันต้องลากสมอไปด้วยมันก็จะไปช้าแต่ถ้าถอนสมอได้ ไม่มีความภาระผูกพันกับสิ่งต่างๆลาบยศตะละเสริสุขสละไปให้มเอาเพียงบริขารแปดอัฐะบริขารเวลาบวชถ้าบวชก็เอาแค่อัฐะบริขารพอแล้วเป็นเป็นเครื่องมือของนักบวชเป็นที่อาศัยเป็นปัจจัยของนักบวชมีเมีอัฐะบริขารนี้ก็อยู่ได้นะ แต่ถ้าไม่สามารถบรวชได้ก็อาจจะต้องมีกระจายเงินทองไว้สำรองจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่าที่พักก็ต้องมีไว้บ้างอยามีไว้เท่าที่จาเป็นหรือจะหาวิธีอยู่แบบที่ไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะทุกคนสามารถหาทางของตนได้ถ้าจะหากันจริงๆมีที่ไปเลย ถ้าเราต้องการจะไปทางนี้แล้วมันมันไปได้ทุกคนอยู่ที่ว่าเราจะมีความกล้าหาญที่จะควาน่าอุปสรรคต่างๆหรือไ ม, ไม่ไม่งั้นจะมีพระอาหารหันที่เป็นสุภาพสตรีได้ยังไงเพงนี้ไม่ใช่เป็นตัวปัจจัยสำคัญเพราะจิตนี่มันจิตไม่ว่าจะเป็นของชายหรือหญิงก็มีมี มีตัณหาเหมือนกันมี karma ตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเหมือนกันแล้วก็มีธรรมะเหมือนกันมีสติมีปัญญามีศรัทธามีสมาธิมีวิริยะเหมือนกันการปฏิบัตินี้อย่าไปให้คิดว่าเป็นเพศแล้วเป็นเป็นอุปสรรคมันจะทําให้เราเกิดความท้อแท้มันจะเป็นอุปสรรคขึ้นมาโดยโดยไม่จําเป็น คือเราไปสร้างอุปสรรคขึ้นมาเองโดยคิดว่าเราเป็นเพศชนิดนี้แล้วเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้เราต้องดูคนที่ก็เป็นเพศเดียวกับเราทําไมเขาปฏิบัติได้ทําไมเขาบรรลุได้ทําไมเขาบวญได้เราต้องมองอย่างนั้นทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนนี่มีจิตมีใจเหมือนกันจิตใจของพระพาาุทธเจ้ากับจิตใจของพวกเรานี้ เหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าจิตของพวกพิจารณานี้ได้รับการชำระกป็นสาบ่อยสุดแล้วจิตของพวกเรานี้ยังไม่ได้รับการชำระก็เป็นเหมือนน้าน้ําที่ได้รับการชำระมันก็จะใสสะอาดน้ําที่เราเอามากรันเํามากรองมันก็ใสสะอาดน้ําที่ยังไม่กรันไม่กรองมันก็ไม่ใสมันต่อให้มันสุกกระป๋อกันอย่างไรเราก็สามารถกรกรองให้มันสะอาดไ้จะ ถ้าสกปลวกน้อยสกปลกมากมันก็สามารถที่จะกันให้มันสะอาดบริสุทธิ์ได้เหมือนกันตามกันที่ว่าช้าเช้านี้เร็วทั้งถ้าศกปลวกน้อยก็ก็จะใช้เวลาน้อยกว่าถ้าสกปลวกมากก็ต้องใช้เวลามากกว่าที่จะกรรันกองได้ก็เป็นเหมือนบัวบัวสี่เหล่าบัวบัวเหล่าที่ เหล่าที่สิ่งที่อยู่เป็นอาหารของปูของปาเนี่ก็เป็นพวกที่กังไม่ได้คือเป็นพวกที่ไม่มีความศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกนี้ก็ต้องตัดออกไปก็เหลือสามพวกพวกที่มีศรัทธาแต่มีมีความมีกิเลสตันหาหนาบางต่างกันพวกที่สามมีกันามากหน่อยก็ต้องใช้เวลามากหน่อยพวกที่สองก็น้อยหน่อยก็ใช้เวลาน้อยหน่อย พวกพวกแรกนี่ก็จะใช้เวลาไม่มากบางทางง่าเป็นครั้งสองครั้งก็ก็สะอาดบอยสุทธิ์ได้เราจะอยู่ท่านไหนก็ไม่สาคัญขอให้เราอยู่ในกลุ่มทั้งสามกลุ่มนี้ก็แล้วกันถ้าเรามีศรัทธาในพระธรรมคำสอนและมีศรัทธาในการปฏิบัติก็ถือว่าเราไม่ได้อยู่พวกในกลุ่มที่สี่ก็เรามีโอกาส จะช้าหรือจะเร็วเท่านั้นเองก็ขอให้เราทําไปเถอะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะไม่บรรลุต้องบรรลุไงเพราการบรรลุอยู่ที่การปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่ใครไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์อยู่กับท่านก็บรรลุบรรลุได้หรือไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่ที่อยู่กับท่านเพียงอย่างเดียวอยู่กับท่านไม่ปฏิบัติก็ไม่บรรลุ ที่อยู่กับท่านไปแล้วอาจจะสึกไปก็ได้ไม่แน่มีภาพบางรูปที่อยู่กับครูบาจารย์แน่ดิพท่านมาหน้าภาพไปแล้วก็ลาสิกขาไปก็มเวลาอยู่ก็อยู่ใกล้ชิดกับท่านเป็นเลขาเป็นพระ อ, อุปถาแต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติท่านรแต่คือปฏิบัติก็ปฏิบัติทำขั้นตอนคือไม่ได้ภาวนาได้แต่ปฏิบัติ อุปทานคอยดูแลคอยรับใช้ท่าน น, นี้ก็พอท่านจากไปก็ไม่มีที่นิดเหนียวก็ใช้อำนาจของกิเลสที่ยังไม่ได้รับการขัดก็ลาสิ้าไปก็มีให้รู้ด้วยกันยังเจ้หมายของเราถ้าเราต้องการเจริญก้าวหน้าก็คือไป <C le af> การชำระการงเรากําจัดความรู้ความโกรธความหลงกําจัดกความทันห า, ม, า, หามิภาวะทันหาวิภาวะทันหานี้ให้มันบาบางลงไปตามลําดับและให้มันหมดไปในที่สุดนี่คือการเจริญก้าวหน้าของเราที่ตรงนี้ถ้ากินเลย น, น้อยลงไปวันนี้น้อยลงไปทั้งนี้นึ่นก็ก้าวหน้าแล้ววันนี้โรคอยากจะได้อะไรที่ไม่จําเป็นก็เปลี่ยนใจแม่เอาเอาเงินนี้มาทําบุญอย่างนี้ก็ ก็เก้าหน้าวันนี้ถือศีลแปดก็เก้าหน้าคือธรรมดาถือศีล้าแต่วันนี้อยากจะถือศีลแปดก็เก้าหน้าแล้วและวันนี้จะอดอาหารก็ยิ่งเก้าหน้าเลยนี่มันตัดูเ่เลพทั้งนั้นอเวลาที่เรารับประทานอาหารนี่มันก็พิเรพมันก็มาแทรกด้วยรับประทานก็อยากจะรับประทานให้มันอร่อย ต้องถูกปากถูกคอก็อมีกิเลสก็เลยดับยังไงก็ไม่ต้องกินกนั่นแหละเร็วได้หลอกไปเไม่ได้กินแบบน <Yeah. S 1> การมีตามเกิดได้มีอะไรก็ต้งกินด้ด้อาหารมาก็เทมันรวนไปในชามใบเดียวกันแล้วคนมันเลยทุกข์มันเลยของค้าวของหวานอะไรถ้าจะกินเพื่อตับความโลภตัดกิเลสก็ต้องกินอยแบบนี้หาชามใบชามใบใหญ่ๆมาสักใบ แล้วก็เอาของขาวของหวานนี่ถานเข้าไปคนเข้าไปแล้วก็กินว่ามันก็ต้องไปรวมกันในท้องอยู่ดีไม่ไเห็นมันจะไปไหนยิ่งสภาพในท้องมันยิ่งดูไม่ได้อย่างแล้วสภาพอยู่ในชามมันยิ่งทำไมจะรับมันไม่ได้ก็เรายังรับมันในท้องได้ทําไมรับในรับในชามทำไมจะรับมไม่ได้เยิ่งท่าจะกินเพื่อตัดกิเลสก็ต้องกินแบบนี้ถ้ากินแบบนี้ได้นับรองว่าจเจริญจ้าเนี่ยเป็นแท้จริง ทำได้ไม่ต้องบวชก็ไดนะ้ทตอนนี้เลยหาชามใบใหญ่ๆมาใบา้องกินดูอร่อยจะได้ไม่วุ่นวายกับเรื่องการการหาอาหารรัประทางถ้า น, นั้นก็นไม่อร่อยอั น, นี้ก็เบื่ออันนี้ก็ไม่อยากกินถ้ามันเป็นอย่างนี้มันเจียจิ๊ดจ๊ดก็อยากให้มันกินทุกวันนึ่งพออดไปได้ทั้งวันเดียวเนี่ยข้าวเปล่าๆก็อร่อย เยลาห่วมากๆมีเห็นข้าวข้าวปล่าก็าาาอาร่อยเนี่ยคือการข้าวกิเห็นต้องข้าวมันแบบนี้อย่าไปกลัวกับความทุกข์ยากลำบากไม่เๆๆๆๆๆๆล็กน้อยๆร่างกายมันรับได้มันสู้ได้พระพุทธเจ้าทรงอุพระกายอ า, าหารอย่างสี่สิบเก้าวันกุฎายา์ต้องอดกันข้าวันสิบวันท่านอดทางด้านมาเป็นประจำท่านอยู่ได้แต่กิเลสมันตาย อยู่อย่างสบายไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจดีกวาอยู่แบบอินน้ําิําลางอิ่มมีพิมันแล้วก็มีต่กิเลส ม, มาคอยรบกวนอยากจะกินนั่งอยากจะกินมื้อต่อแต่กินก็กินไม่ได้จะ อ, อ้วนกันไปถ้าห้าก็ทุกทรมานใจคนที่อยู่ดีกินดีแทนที่จะมีความสุขกับมีความทุกข์มากกว่าคนที่ อยู่แบบล้างๆล้างบนมีทางเลืกอกมาก ของหวงู้่ทานจะเท่าในเดือนธันวาใช่ไหมสิบสองธันวาสบห้าสิบห้าสิบห้าเปลี่ยนแล้วค่เปิบห้าสิบสองธันวาแน่จ้ะท่เข้มข้นทุนเยอะสิบสางเนว่ยเดี๋ยวมารืนนี้ผมก็ขึ้นไปขห้นไปท่านพี่ว่าส2นะครับ่ข้นอย่างข้หลวงพโตอีหลวงพโตอี๋่นจะลงมาจากด่านวิเวก วันที่ที่เครับแล้วมันจะขึ้แล้วประมาณกลางคืนเนี่ยสิบสองก็จะขึ้นไปที่ก้ประกาศที่ว่าสิบสองนะคุณชายค่ะที่วัดผิดที่ผมได้ยินผิดก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเมื่อไรเดี๋ยวผมขึ้นไปเมื่อนที่ผมจะได้ตราบเรื่องยังไงแล้วก็โทรเรียนให้ทรบอุ้ยพี่ต้องรู้ค่นหัวหน้ากระจยเสียง วันนี้ท่านการเมตตาอธิบายเรื่องเรื่งลำดับอริยภูมิเนี่ยตอนี้ลูกคนจริงมันก็ไม่ได้ทําได้แต่สงสัยว่าคิดว่ายกตัวอย่างอย่างพี่เนี่ยเอทำมาจนถึงขั้นโซดาแล้วเนี่ยนะคะแล้วตายไปกลับมาอีกคั้นึงมันไม่ต่อเนื่องทันทีใช่ไหมคะมันต้องมาเริ่มใหม่เมื่อเมื่อตอเริ่มมื่อตอนนี้ก็เริ่มมาก็เป็นจิตไม่ได้ตายไปแล้วธรรมะที่มีอยู่ในใจก็ไม่ได้เสื่อมหายไปไหน จิตมันกับเพียงแต่เปลี่ยนเชื่อผ้าเท่านั้นเองครับนะก็ลี่แต่เรื่องปฏิบัติก็จะไปถึงก็ต่อมันไม่ได้เริ่มอ่ะมันมันต่อเนื่องไปเลยมันต่อเนื่องไปเลยมันไม่หยุดไงคใครที่กําลังไหม้เชื่ออยู่นี่มันไม่หยุดมันยังไหม้ต่อไปอยู่สติปัญญาก็ยังเจริญอยู่ในใจตลอดเวลาพอไปสัมผัสกับกิเลสมันก็จะรู้ทันทีว่าอันนี้คือกิเลสนี่คือตัวที่เราต้องกําจัดไม่ไม่ไม่ไม่หยุดใจนี้ไม่ได้ตายเหมือกับร่างกาย มันเพียงแต่เปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่เท่านั้นเองแต่แต่มันจะมีช่วงที่ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นช่วงเด็กๆที่เขายังดูแลตัวเองไม่ได้ตอนนั้นจิตเขาก็ยังอยู่ในช่วง่คอยู่ไม่สามารถใส่จิตตรงนั้นก็เป็นโสดาอยู่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรจิตของเขาก็ยังยังทําอยู่เขาจะไม่กระจองอเงี้ยมันเด็กเด็กคนอื่นไงเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายเด็กที่ไม่ค่อยชู้จี้จุกจิกอะไรอย่างนี้ เพจิตขงเข้าเป็นอย่างนั้นโดยธรรมชาติของเขาสังเกต ด, ดูเด็กที่ที่ทเราเลี้ยแต่ละคนเนี่บางคนนิสัยไม่เหมือนกันเพราะจิตของเขาไม่เหมือนกันจิตบางคนนี่อะไรอะไ ร, อะไรก็ไม่ได้กลั ว, ว, วนู่นกลัวนี่แบบไหนจิตบางคนนี่ก็ข่าหาญไม่ไม่ไม่เ ช, ชื่อชื่จุตจิตไม่อะไรไม่ต้องให้พ่อให้แม่มาคอยกอดมาอะไรอี้บางคนนี่อะไรนิดอะไรหน่อยก็หวาดภาวะกลัวไปหมด เพราะจิตของเราเป็นอย่างนั้นจิ ต, จตของพระอริยะก็มันก็เป็นอย่างนั้นแค่อยู่เขาเขาอาจจะมีจิตแต่เขายังไม่สามารถที่จะเอามาใช้เหมือนกับเป็นผู้ใหญ่ได้เพราะว่าเขาก็ยังต้องฝึกของเขาไปแต่พอโต้วเขาก็จะเขาก็จะไปทาการตามสภาพของเขาต่อไป ก็อย่างที่เราสมัยที่เป็นตอนนั้นอายุสักสิบหรือสิบเอ็ดปุที่ไปเห็นศพของเพื่อนที่ตายไปเราก็ไม่ได้ตกใจกลัวอะไรแต่เรากลับพิจารณาว่าอ้อต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาเนาะต่อไปพ่อแม่พี่น้องคนที่เรารักทุกคนก็จะต้องเป็นเหมือนกันมันกลับคิดอย่างนั้นะไม่มีใครสอนมันดูแล้วมันเฉยๆรู้สึกเหมือนเหมันองปัญญโกเข้ามามันน้องเข้ามา น้องเข้ามาสอนใจเลยบางคนนี่เห็นแล้วกลับไปแล้วนอนไม่หลับกลัวกลัวว่าตัวเองจะตายกลัวอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่จิตที่ได้พัฒนามาแต่ละคนไม่เหมือนกันจะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เห็นไม่เหมือนกันถ้าเคยเคยได้สอนมาได้ฝึกมาให้มีปฏิกิริยาแบบนี้พอไปเจอครั้งต่อไปก็จะมีปฏิกิริยาแบบนี้ ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางบางคนก็ร้องไห้ฟูมมไฟบางคนก็ตกใจกลัวบางคนก็เฉยเฉยอยู่ที่ว่าสติปัญญาของแต่ละคนที่ได้รับการพัฒนามานี้มันมันมันต่างกัน นั้นไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในจิตเวลาที่ร่างกายตายไปนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแ ป, ป, ปลงอย่างแต่ว่าในขณะที่เป็นเด็กนี้มันไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายได้เต็มที่แต่อย่างเช่นพระพุทธเจ้าที่เขะพุทธหลวงว่าพอประสูตมาแล้วประทับเดินได้เจ็ดขั้นเนียเป็นไปได้นะเพราะว่าจิตของพระพุธทธเจ้านี่มีพลังมากร่างกายที่จะเดินเพียงเจ็ดก้าวนี่น มันไม่ใช่เป็นของยากเองอะไรหรือที่มีมีมีพูดว่าทรงแปล่งอะไรแล้วะเนี่ยทรงแปล่งพรวาจาเลยว ะ, ะ, ะนันเป็นโลกเราจะมาพูดที่เป็นพระวาจอ่นัน่นะอมันอยู่ในจิตของท่านนี่ท่นก็เพียงแต่สายร่างกายนี่เป็นเครื่องมือเท่านั้นเนองตอนนั้นร่างกายของท่านยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ให้แข็งแรงเต็มที่ก็ทําได้เท่า น, นั้นเอง แลง้ทำบุญปฏิบัติธรรมนี้ไม่ขาดทุนไม่สูญหายแต่ถ้าเก็บเงินเก็บทองไว้นี้ตายไปหมดเลย <c oughs> ต่อบมาช <c oughs> างไหนก็ต้องมาหาใหม่ <c oughs> ถ้าทำบุญนี้กลับมันเป็นไปรอเราอยู่ข้างงานออนซักหน่อยเกิดเป็นลูกเศรษฐีนี้สบายแลยนะ้ว เลยถ้าไม่เป็นเศษฐีทํามากินทําอะไรก็ร่ํารวยง่ายไม่ต้องดิน้นรนทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ยเงินทองไหลามาเทมานี่เป็นเป็นอนุภาพของทานบาลมีที่ได้ทำเอาไว้รักษาสินให้ได้มากกจ็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เร็วขึ้นเพราะต้องไม่ต้องไปใช้กรรมมาก ถ้าทำบาปน้อยนยีก็อาจจะไปใช้เดียวเดียวถ้าทำบาปมากก็ต้องไปตึดคุกนานหน่อยถ้าไม่ทำกรรมเลยก็ไม่ต้องไปเกิดเลยเพราะถ้าไม่ทำบาปเลยก็ไม่ต้องไปใช้กรรมเลยพอตายจากมานุษย์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หรือไปเป็นเทพก่อนเพราะพระพุทธเจ้าพระเวสสันดร ย, ยท่านตายไปก็ไปเป็นเทพพอ่พอจากเทพลงมาก็มาเป็นเจ้าชายจิทตถ ไม่ต้องไปว่าใช้กรรมใ <c oughs> นบ่ายเ่นี้เป็นความจริงเนี่ยสันติโกเป็นก็นเลยสวัสครตัวภักควตาธรรมโเป็นทรที่ถูกต้องตามหลักของความเป็นจริงแต่พวกเราไม่ไม่สามารถมองเห็นได้ตน้เเพราะเราไม่มีดวงตายเห็นธรรม เราไม่เห็นใจเราไม่รู้ว่าใจของเราเป็นอย่างไรเรารู้แต่ร่างกายแลเรายัางหลงติดอยู่กับร่างกายคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราแต่เวลาภาวนานี้เวลาจิตสงบนี้มันจะแยกออกจากกาันจิตจะห่อยวางร่างกายร่างกายนี้จะหายไปจากความรู้สึกาจะรู้ไว้ทำไมนี่มีแต่จิตอน่างเดียวทำไมไม่มีร่างกายอยู่ในขณะนี้ มันก็รู้ว่าต่อตัวนี้กับตัวนั้นมันคนละส่วกันร่างกายเป็นองไรตัวนี้มันก็ไม่ได้เป็นไปด้วยเพราะขณะที่นั่งอยู่ตอนนั้นร่างกายจะเจ็บจะปวดยังไงก็ไม่รับรู้ไม่สนใจไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ากระทบกระเทอนกับจิตใจการภาวนาท่านน่ะที่จะทําให้เราเห็นเห็นดวงจิตดวงใจของเราได้ การได้ยินได้ฟังนี้ก็เป็นเพียงเป็นสัญญาหรือเป็นเป็นความจินตนาการคือเราได้ยินเขาพูดแล้วเราก็คิดไปจินตนาการไปเหมือนกับสถานที่ที่เราไม่เคยไปแล้วคนเขาคนที่เคยไปมาเล่าให้เราฟังว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็วาดภาพไปแต่ก็ามจริงพอเราไปเห็นของจริงอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราวาดภาพไว้ก็ได้ ถึงแม้จะได้ยินจากคนที่เข้าไปไปมาแล้ ว, ลวก็ตามตเรามักจะวาดภาพไปอีกทางตามตามตามกิเลส ข, ของเราต้องไปเห็นด้วยตายของตอนเองการที่จะเห็นธรรมของพระพุะเจ้าได้ก็ต้องอยู่ที่การภาวนานีรสมะฐานภาวนาแล้วิปัสสนาภาวนาโดยมีทานมีสิงเป็นเครื่องสนับสนุนเพราะถ้าไม่ทําทางไม่รักษาสิงจะภาวนาไม่ได้ ใจจะติดอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจะวี่วายกับการหาหาความสุขทางตาหูจมูกวิ้นกายแล้วก็อาจจะต้องทำบาปทำกรรมจะทำให้จิตใจมีความความฟุ้งซ่า น, วว น, นความกวนกวายกระับกระส่ า, สายมากเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งไม่ได้เพราะไม่มีความสงบ เป็นพื้นฐานถ้าทาบุญให้ทานนักษาธารณได้ใจาจะมีความสงบอยู่ในระดับนี้ทําให้เวลาภาวนานี้ยง่าย ก, กว่าคนที่ไม่ทําบุญ ใ, ให้ทานนักษาธารณแต่ต้องมีสติเป็นหลักก า, ารภาวนานี้ก็อาศัายสตินี่เป็นเป็นตัวสําคัญที่สุดสตินี่แหละที่จะทําให้บรรลุได้ภายในเจดวันหรือเจ็ดปีอยู่ที่สตินี่ ในสติปัฏฐานศูนย์พระพุทธเจ้าทรงทรงพยากรณ์้ราเลยว่าถ้าใครเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องทุกวงหายตั้งแต่ตื่นจนหลับจะมีจะสามารถบรรลุธรรมได้ภายในเจ็ดวันนี้อเจ็ดปีถ้ามีสติแล้วก็สามารถที่จะดึงจิตให้เข้าสู่สมาธิได้แล้วสามารถพอออกจากสมาธิก็สามารถควบคุมจิตให้เจริญปัญญาได้ ให้พิจารณาใจลับพิจารณาร่างกายว่าเป็นดินน้ํำลมไฟว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายวาร่างกายนี้เป็นความทุกข์ไม่ควรที่จะยึดจะติดควรจะปล่อยวางเพราะไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้าลมไฟพิจารณาอย่างนี้ก็จะทําให้ปล่อยวางได้ตัดความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนะ ความดั บ, บความวามดัแบบความอยากเหล่านี้ได้ที่รอดคือคาการกวนกยความทุกข์กับเรื่องของร่างกายก็จะหมดไปอยู่ตรงนี้อยู่ที่สติสติก็คือการให้มีให้รู้อยู่กับในปัจจุบันให้รู้อยู่กับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นเช่นตอนนี้เรากําลังฟังธรรมก็ให้รู้อยู่กับการฟังธรรมอย่าให้ใจไปรเรื่องอื่น เวลาทำอะไรก็ให้รู้อยู่กับงานที่เรากำลังทำากำลังรับประทานอาหารก็ให้รู้อยู่ ก, การรับประทานอาหารกำลังเดินก็ให้รู้อยู่กับการเดินนี่คือเรียกว่าการมีสติให้มีสติอย่างต่อเ น, นื่องตลอดเวลาห้าอยู่ในเหตุการณ์ในปัจจุบันอย่าให้ไปที่นั่นที่นีน่ถ้าเราต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็หยุดทำอย่างอื่นก่อนแล้วก็ให้มีสติอยู่กับความคิด เราจะคิดวางแผนวันนี้จะทําอะไรเรื่อมีธุระอะไรต้องทําอย่างไรก็ ค, คิดให้มันด้วยสติคิดจนกระทั่ ง, งเสร็จแล้วก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันต่อถ้าไม่ต้องทําอะไรก็นั่งนั่งขัดสมาธิหลับตาตั้งตัวให้ตรงแล้วก็ให้มีสติอยู่กับลมหายใจเก า, าให้รู้อยู่กับลมอย่างเดียวไม่ใหรู้อยู่กับเรื่องอ รูอยู่ที่ปลายจมลมเข้าก็ไม่ต้องตามเข้าไปลมออกก็ไม่ต้องตามออกมาให้รู้ว่ากําลังหายใจเข้ารู้ว่ากําลังหายใจออกรู้ว่าลมหายใจอยากก็รู้ว่าอยากลมหายใจละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวอย่าไม่ต้องไปบังคับลมอย่าไปบังคับให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไหวเพราะตามธรรมชาติของเขาเราเพียงแต่รู้เฉยๆเท่านั้นเอง อาศัยคารรู้นี้เป็นเครื่องดึงจิตเอาไว้ไม่ให้ลอยไปที่อื่นให้ให้นิ่งไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกแล้วลมก็จะละเอียดลงไปแล้วก็ถ้าลมหายไปก็รู้ว่าลมหายไปถ้าลมหายไปก็ให้รู้ให้อยู่อยู่กับรู้อยู่กับตัวรู้อยู่กับสักแต่ว่ารู้ไปเรู้ว่ารู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมแล้ว อย่าไปปรุงแต่งอย่าไปเกิดวิตควิจารขึ้นมาว่า้นมหายไปแล้วเราจะตายหรือเปล่าไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปปรุงแต่งให้รู้เฉยๆรู้ว่ามันละเอียดจนไม่สามารถมองเห็นได้เขารู้ว่าอย่างนั้นแล้วไม่นานจิตนั้นก็จะรวมลวมเข้าสู่สู่ความเป็นหนึ่งได้ตอนนั้นร่างกายก็จะหายไป ไ, ปได้หรือไม่หายก็ได้ไม่หายแต่ตอนนั้นร่างกายจะไม่มีไม่มีไม่มีขนอะไรเกิดขึ้น เกิดจะอาการจะเจ็บจะปวดหรือไม่จะไม่มาก็จะไม่มาร่าควรความสงบตอนนั้นจิตจะไม่ไม่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวด้วยจิตจะอยู่ในความสงบตามเมื่อรำอันนั้นจะมีแต่ความสุบมีแต่ความเบา อ, อกบาใจความสบายใจนี่เรียกว่าเป็นสมาธิหรือบางทีร่างกายอายไปเลยก็ไดนะ้วุบลงไปแล้วก็นิ่งเหมือนลอยอยู่ในอากาศ จะอยู่ได้นานไม่นานก็ตามกำลังของสติที่เราได้สึดมาใหม่ๆก็อยู่ไม่ได้นานอยู่ได้สักพักหนึ่งก็ถอนออกนะถ้าอยากจะกลับเข้าไปใหม่ก็ก็ดูลมต่อไปทําหมา่เริ่มต้นให่ถ้าไม่อยากจะกลับเข้าไปถ้าอยากจะลุกขึ้นมาเดินจงกรมก็ให้จเจริญปัญญาต่อไปให้พิจารณาว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บ ต, ต้องตาย ร่างกายไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามของเราก็เป็นอย่างนี้ของคนอื่นก็เป็นอย่างนี้ของคนที่เรารักก็เป็นอย่างนี้ของคนที่เราเกลียดก็เป็นอย่างนี้ของมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ของสัตว์ก็เป็นอย่างนี้พิจารณาไปเรื่อยๆจนกระท <realistic> ั่งจะยอมรับความตายได้เมื่อพิจารณาไปแล้วรู้สึกว่าเริอยากจะหยุดพิจารณาก็กลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่ต่อ ถ้าต้องไปทําภารกิจอย่างอื่นก็ให้มีสติอยู่กับภารกิจนั้นถ้าอยู่ไม่ได้มันจะมันจะออกไปหาเรื่องอื่นก็ดึงไว้เรี่อพุโทโธก็ได้ที่กำลังทำภาภารกิจอะไรอยู่ก็พอจิตจะไปคิดเรื่องอื่นก็ให้คิดถึงคําว่าพุโทโธพุโทโธไปแทนก็ดึงกลับเข้ามาให้อยู่กับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นได้ถ้าไม่เจริญสติก็ต้องนั่งสมาธิ ถ้าไม่น่สมาธิก็ต้องเจริญปัญญาทั้งสามส่วนต้องต้องทำสอย่างไดอย่างนึ่ถ้าทําอย่างนี้อย่างต่อเนื่องแล้วผลมนันก็จะปรากฏขึ้นมาตามลาดับปัญญามันก็จะเริ่มเห็นชัดขึ้นเห็นชัดขึ้นเดียวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเวลาเห็นอั้นกิเลสจะเกิดพอพอปัญญามามาทันปั๊บ ก, ก็จะดับได้พอคิดถึงความตายตอนนั้นก็จะกลัว แต่พอปัญญามาทันทั้งมันก็หายกลัวมันก็จะบอกว่าไม่ใตัวเราของเราที่จะตายยังไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงดินน้ำลมฟ้ามันมันเป็นธรรมดามันจะเป็นด้วยกันทุกคนไม่มีใครหลีกเลียงได้มันก็ยอมรับได้พอมันยอมรับได้มันก็หายกลัวเรื่องที่ให้เจริญปัญญาก็เพื่อที่จะให้ให้มาดับกิเลสเวลาที่เวลากิเลสมันเกิดขึ้นมา ว่ากิเลสนี้มันจะไม่ชอบความแก่ความเจ็บความตายถ้าไมีปัญญานี้พอพอจะคิดแล้วมันก็กลัวแล้วจะไม่กล้าคิดจะไม่กล้าพิจารณาแต่เวลาที่เราทําสมาธินี้เหมือนกับเราฉีดยาสงบให้กับกิเลสพอออกจากสมาธิมันก็ยังไม่มีแรงมากพอเราพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายมันก็จะไม่มาต่อต้านเหมือนกับมันเกิดความรู้สึกหวาดกลัว ก็สา ม, มารถพิจารณาสอนใจไปได้เรื่อยๆจนกว่ากิเลสมีกําลังมากแล้วมันก็จะมาทำให้เรามีความรู้สึกไม่อยากจะพิจารณาเราก็หยุดเราก็กลับเข้าไปให้ยาสลบกิเลสต่อโดยการเข้าไปนั่งในสมาธิสลับกันทําอย่างนี้ระหว่างการนั่งสมาธิกับการเดินจงกรมเวลา n ั่งก็ทําจิตให้สงบนิ่งเวลาเดินจงกรมก็พิจารณาร่านะงกายว่าเป็นตายร่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เป็นสุภะเป็นปปิกุงเป็นการสร้างอาวุธเพื่อที่จะไว้เอาไว้ทําลายกิเลสคือการมรรตหาตนภวะฐาหาวิภวะฐานะที่มีติดอยู่กับร่างกายแล้วต่อไปมันก็จะเบาบางไปต่อไปจะไม่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องร่างกายต่อไปจนไม่มีปัญหากับร่างกาย พอหมดเรื่องของปัญหาร่างกายแล้วทีนี้ก็ต้องเข้าไปในเรื่องของนามขำต่อไปเข้าไปในเวทนาปัญญาสังขารว่นญาณก็พิจารณาเช่นเดียวกันะว่าเป็นตายรักเหมือนกันไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วดับไปให้รู้ธรรมอย่าไปหลงตามความคิดของเราทุกวันนี้เรายัางหลงตามความคิดเอยเห็นอะไรปัว่า ด, ดีก็มีความมานะ ยังไม่ได้ทาําไข้ครเว่ามันดีจริงหรือเปล่ายังไม่คิดว่ามันเป็นตายนักเลยถ้าเป็นตายรักครับก็จะไม่ความาเอามาทมําไหมเอามาเกะกะลงไปได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวก็กลายเป็นภาระต้องมาครดูแล้ถ้าจะเอาก็ต้องจําเป็นจริงๆริเช่นปัจจัยสิ่งจำเป็นก็เอาเมื่อถึงเวลาต้องกินข้าวก็ต้องกินอันนี้ แต่ถ้าอะไรที่ไม่จําเป็นก็ถ้ามีถ้าปัญญารู้ทานปั๊มันก็จะไม่เอาไม่เอาก็จะอยู่แบบพระได้อยู่แบบมักน้อยสังดอนได้ที่เราอยู่อยู่อยู่มักน้อยสังดอนไม่ได้กเพราะปัญญาเราไม่ทันเกเรมันเรยมกว่าเราเยอะไอ้นั่นกดีไองนี้ก็ดีไอ้นั่นก็น่ารักเพราะปับเดียวมาแล้วมันอยู่กับเราแล้ว ถ้าทำไม่ได้ก็โกรธเสียใจไปมีปัญห า, ากับคนอยู่นนะมีเรื่องเวลากับเนอนวิมันจะพาให้เราไปสู่ความความยุ่งนวายใจสู่ปัญหาต่างๆถ้ามีปัญญาลุทธันก็ตัดตัดตัดตัดเอาท่าที่จําเป็นแล้วก็เอามาด้วยด้วยด้วยวิธีที่ถูกต้องไม่ไปเบียดเ บ, บียนทุก่นไม้จะมีปัญหา ถ้าเราไปแก่งแย่งริงดีกับใครก็ไม่เอาถ้าเขาอยากจะได้ก็ให้เขาไปเราไปหาไปหาที่อื่นก็ได้เ่นานอาจารย์ขอโอกาสจ้ะเวลาที่ิจรณ า, านา ม, มาขันเราไม่ไม่ต้องแยกเป็นออกเป็นสี่ตัวเพราะมันมันจะเกิดเกิดเป็นกระบวนการอัตโนมัติของมันเลยมันก็มีความเกี่ยวเนื่องกันพอเราคิดตับเนี่ยมันก็เกิดวิทยานาขึ้นมา พอมันเห็นอะไรป้ามันว่าสวยมันก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาแล้วก็เกิดสังขารทวางเพศยรปุงแต่งอยากจะด้ขึ้นมาทันทีแล้วก็เอาตจรักเข้าไปประกบอแล้วก็เอามาทำไมแล้วก็เพียรปรุงแต่งว่าเอามาทํไมพมาแล้วมันก็ไม่เกิดมันไมเกิดมันเป็นสุขก็เป็นทุกขกันแน่สุกเดียวเดียวสุขแบบพันไฟแล้วก็กลายเป็นกองทุกข์ต้องมาคอยเลี้ยงดูฉันได้รูกมาสักคนหนึ่งดีใจตอนที่คลอดออกมาทั้งนี้ หลังจากนั้นก็ต้องนิ้ดูไปกี่ปีต้องไปงทุรมาร ก, กับลูกไปกี่ปีถ้าคิดซะหน่อยตั๊บก็จะได้ไม่มีไม่มีดีกว่าพิจารณาไปจนจนรู้สึกว่าจริงๆแล้วจิตมันใช้มันใช้กายเป็นเครื่องมือ ม, มันใช้สมองเป็นแค่คิดแล้วก็ความจาแล้วก็ทั้งหมดแล้วก็แบบตรุงแต่งอะไรของมันไปเองก็มันมันเป็นธรรมชาติของของกิเลส เมื่อมันสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสแล้วมันก็จะมีสัญญาเข้าม า, ม ท, าทันทีว่าว่าดีหรือไม่ดีดีก็อยากได้ไม่ดีก็อยากจะให้มันหายไปเวลามันไม่หายไปก็หุ่นหวายใจเวลาอยากได้แล้วไม่ได้ก็หุ่นวายใจแล้วก็คิดคือพอ ม, มีสภาพว่าธรรเกิดขึ้นแล้วก็แล้วก็เริ่มวงจร น, นี้กลับไปกับมาอยเ่ใถ้ามันเป็นปล่อยว่าให้มันเป็นตายรักเพ่เราจะได้ปล่อยวาง เพรามันไม่ดีไม่เชื่อมันเฉยเฉยเราก็จะปล่อยวางสภาวิธรรมที่เกิดขึ้นไปเรื่อยเรื่อยใช่ไม จ, จ้ครับจิตก็จะปรุงแต่ ง, งน้อยลงไปหรืปฏิกิริยากับรูปเสียงกินั้นกับทิมต่างๆน้อยลงไปเรืนะ่อยๆอยากปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมาชาติอการปฏิกิริยาของเราก็คือเป็นภาวะตันหาวิภาวะตันหานี้ถ้าชอบก็เป็นภาวะตันหาอยากจะได้ถ้าไม่ชอบก็เป็นวิภาวะตันหา ถ้ามีตายรัมันก็จะเฉยๆเป็นอุเบกข า, า, าก็ทําซ้ํากวนไปอยู่ทำไปเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาอยู่ในใจถ้าไม่มีปัญหามันก็ไม่มีความทุกข์ความกัวงวลใจความกระสับกระจายมันก็จะเป็นนิโรธเนี่ยแนวการปฏิบัติมันจะวัดด้วยที่อริยสัจจี่ยวัดที่ทุกข์นิโรธเนี่ย ถ้<อ> <SE> ยังมีทุกข์อยู่ก็ยั ง, ย, งยังไม่หมดถ้ามีนิโรธไม่มีทุกข์ก็แสดงว่าหมดแล้วมันก็เป็นนิโรธเล็กๆเกิดขึ้นอยู่าก็คุณทีละ <ๆ S 1> นิดทีละน้อยไ ป, เ, ปเรื่อยๆถ้าปัญญาทันก็เป็นนิโรธถ้าปัญญาไม่ทันก็เป็นทุกข์เพราะตอนแรกเข้าใจว่าคนนิโรธปั๊บก็คือแบบทุกอย่างดับหมดใช่มันก็ชั่วขณะนั้นไงมันเป็นปทุกขณะมันเกิดขึ้นทุกมันเป็นรอบเป็นรอบ สังขารมุ่งแต่งปั๊บก็เกิดนิโรธขก็ขเกิดก็มุ่งแต่งไปทางมรรคก็เป็นนิโรธถ้าคิดไปทางสมุทังก็เป็นทุกข์นะเราก็ลองทําให้สังขารมันคิดเไปในทางมรรคมันก็จะเป็นนิโรธไปตลอดก็ต้องคิดไปในทางตายรักตลอดถึงจะเป็นนิโรธได้ตลอด <c oughs> ถ้าปฏิบัติไปแล้วเท้าจิตมันเข้าข้างไหนมันจะมันจะดูตามต่อสู้ของมรรคกับ กับสมุทยท่านั้นมันอยู่ในใจเรามันจะข้างนอกเป็นเพียงแต่เป็นเหมือนกับองค์ประกอบตัวเองแต่ตัวที่ต่อสู้จรงิงๆนี้อยู่ในใจถังเวรอยู่ในใจเวทีอยู่ในใจระวังทำกับกิเลสมันอยู่ในใจเราโดยอาศายัยเรื่องเสียงกินวยามาเป็นเป็นตัวเป็นตัวจุดชนวนทุกอย่างเราปัญหาพวงเราคือมีทำน้อยกว่าพอเห็นตากิเลสมันละลากไปก่อนนะ ทำตามไม่ทําถ้าทําตามทางแล้วมันก็มันก็จะไม่ไปัปมันจะไม่อยากได้อะไรความอยากก็จะหายไปนิโรธก็จะเกิดขึ้นมาเริ่มต้นที่สติต้องมีสติก่อนถ้าไม่มีสติก็ไม่สามารถดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันได้จิตไปอยู่ที่อื่นก็จะไม่เห็นมุกทุกข์สมุทัยในิโรธมากที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทุกอยู่ตรงนี้แต่กําลังไปคิดถึงเรื่องที่จะทำให้เราทุกเมื่อเช้านี้ใครด่าเราเนี่ยโมโหมันเยอะเกินแมันทํลายเราได้แต่ไม่ดูปัจจุบันว่าตอนนี้กําลังทุกข์คลอยพราะไปคิดถึงเขาถ้าเราไม่คิดถึงเขาให้ตัวนี้มันก็ดับนะ ม, มันไม่มีสติสติมันจะหมดไปสติถึงสําคัญว่าทําทั้งหมดเนี่ยสตินี่เป็นคำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําคัญที่สุด มันทรงเปรียบเหมือนกับรอยเท้าช้างสามารครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดได้ห่งไม่มีสติก็ไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเกิดไม่ได้สตินี้เป็นเป็ น, ป น, ป น, ปนดีรามารดาของสมาธิของปัญญาของวิมุจติของการเหตุผลสติจึงเป็นเป็ น, ปนระสูที่สำคัญมากในประเทศศรีังกลานี่เขาเขาถือ พระมาสติปัฏฐานสูตนี้เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเลยในในของพระไตรปิฎกทุกคนนะครับจะท่องจากันได้เพราะจะบอกรายละเอียดเรื่องของการเจริญสติทุกขั้นทุกตอนตั้งแต่ขั้นร่างฐานร่างกายกา็ไปสู่ขั้นเวท น, นาเวท น, นาจิตธรรมรันละเอียดเข้าไปเรื่อยเรื่อตอนต้นก็ให้มีสติอยู่ที่ร่างกาย ก, ก่อนเพราะมันเป็นส่วนใหญ่ พอผ่านร่างกายไปแล้วก็เข้าสูส่เวทนามวทนามันก็เกี่ยวกับปัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยแล้วก็เข้าไปในจิตทีพอไในจิตมันก็จะเข้าไปในธรรมก็คือธรรมก็คืออริยาาสัจสี่นี่เองมันก็จะเห็นการต่อสู้ของของความทํางานของอริยาาสัจสการต่อสู้ระหว่างมรรคกับสมุทัยทุกอย่างนี้อยู่ในในสติปัฏฐานศูตรนี่หมด ถ้านถึงทํางานพยากรณ์ได้อย่างเป็นปากแล้วว่าภายในเจ็ดวันหรือเจ็ดปีเป็นอย่างช้าจะต้องได้ขั้นในขั้นหนึ่งถ้าไม่ได้เป็นพระอาหันา์ก็ต้องเป็นพระอนาคามีอย่างแน่นอน <c oughs> ขอให้ปฏิบัติตามที่ท่านสอนน้นะใหม้มีสติทุกลมหายใจเข้าออกในขณะที่เราเป็นจนถึงเวลาที่เราให้ควบคุมจิตของเราให้อยู่ในปัจจุบันตลอดเวลา แล้วพเราไม่ต้องทำอะไรเราก็นั่งสมาธิพอจากสมาธิเราก็พิจารณาใจลัพิจารณาร่างการก่อนแล้วก็ไปที่เวทนาแล้วก็ไปที่จิตแล้วก็ไปที่ธรรมรับรองไนดะ้มีก็ห้าปีแล้วนะสองปี <c oughs> วันนี้มีแผ่นซีดีทันไหมั้นกน็ไปเก <c oughs> น่ายกันไปน้องซื้อเล่ใหม่มาจากชุดเก่าท่านไปแจกเรื่องทำน้องสือก็ขอหยุดไปก่อนนะเหนื่ละวรื่อทำชุดใหม่กั วิ21นะวันนีเพศที่วันนี้ก็จะคงจะไม่ได้ทำแล้นะอขอหยุดไปก่อนครับแต่จะทำแผงทีดีต่อไปก็เอาไปฟังได้เหมือนกันฟังเรื่องเหมือนกัน ถ้าใครไม่ได้เดี๋ยวแปลอที่ปกติได้นะเดี๋ยวยีที่ปกติยังพัาอย่เลยแต่ท่านเป็นจอดมึงในกำลังใจต่อไปก็ดูก็ดูก็ดูก็ดูก็อนก็ดูก็ดูก็ดูก็ดูกีู่ก็ดูก็ดนกแล้ว็ดูก็ดูก็ดูก็ด่ก็ดูกีู่ก็ดูก็ดูก็ดูก็ดูก็ด้ก็ดูก็ดูก็ก็ดูกกกก ถึงนอนตอนนั้นก็ไม่จะทำไหวหรือเปล่าอ่านสต็อกมีเยอะเลยเรมีสต็อกก็ฟังเถอะฟังร่วมเหมือนกันแหละหรืออ่านเรื่องเก่าๆมันก็เหมือนกันแหละทามันก็เหมือนมันก็เหมือนมันก็ทํามันเดียวกันนี่แหละทำเรื่องไหนมันก็ได้ประโยชน์เหมือนกันแต่มันมันไม่ไหวจริงๆจะจิตมนมันเหนื่อยเนี่ยมันเห็นแล้วมันก็เอือ่ย มันไม่เหมือน่าก่อ น, นี้มันมีนอัน t วิริยะเห็นแล้วก็ความมับขึ้นมาทางไงตอนนี่เห็นแล้วไหมวะไม่เอามันคงเห็นว่ามันก็มีมากพอแล้วแล้วมันก็ข้อพูดหมดทุกถ้าทุกประเด็นแล้วแหละพูดยันก็เป็นประเด็นซ้ำๆกัน ก็ไม่ได้คก็ไม่ไดคก่ไไม่ได่ไดม่ได้ครับกกรัครัครับก็ไม่ไ็ไค่ได้ครับก็ มันก็เป็นธรรมชาติ ถ้ามีมาเกก็จะภาวนาดีถ้ามีน้อยก็เป็นเดิมมีเหมือนกันแต่มีนิดเดียว 各方面呀，就是像你刚才介绍的那样。 การที่เราถ้าพิจารณาแบบมีสมาธิคิดทบทวนบ่อยๆเนี่ยจะเหมือนกับว่าเราเนี่ยตั้งมั่นในการที่ว่าฆ่าสัตว์ไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตที่คิดบ่อยๆ อ, อย่างนี้เนี่ยจะทําให้ตั้งมั่นจนเป็นของเราว่าอย่างตอนนี้คือเราไม่ค่าสัตว์เห็นปุ๊บต้องไม่ทําอย่างนั้นใช่ไหมใช่ไหมมันเป็นธรรมชาติไปเล ย, เลยมันเป็นธรรมชาติคือมันก็ต้องไปทดสอรในเหตุการณ์จริงๆ ที่เราจะต้องเลือกว่าจะทำหรือไม่ทำถ้าเราไม่ทำเราก็รู้ว่าเราไม่ทำคือบางทีการพิจารณาของเรานี่ก็ยังเป็นเหมือนการทำการบ้านเรายังไม่ได้เข้าห้องสอบเรายังไม่ได้ไปอยู่กับในเหตุการณ์จริงที่เราอาจจะต้องเลือกระหว่างชีวิตเรากับชีวิตเขาอย่างนี้ถ้าเราถ้าเราต้องการจะรักษาจริงจริ ง, รงเราก็ จะไม่ทำเขาจะไม่ฆ่าเขาเราจะยอมไม่เขาข้าเาแทน อ, อันนี้บางทีเราก็ยังไม่รู้จนกว่าเราจะอยู่ในเหตุการณ์จริงๆจะรู้ในการพิจารณาไว้ล่วงหน้านี้เป็นการเตรียมตัวไว้ก่อนพอถึงเกิดเหตุการณ์จริงๆขึ้นมาเราก็จะสามารถทำได้ถ้าเราไม่คิดก่อนบางทีสัญชาตญาณเดิมของเรามันอาจจะ ไม่ไม่ทำไม่ให้เราทำก็ได้แต่ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆถึงถึงผลได้ผลเสียจากการการรักษาสินแล้วเราก็จะตัดสินใจได้อย่างถูกทางแต่ละหมดนี้มันต้องต้องเกิจดจากปัญญามากกว่าคือต้องเห็นว่ามันไม่มีมันไม่คุ้มค่าต่อการไปทำผิดสี มันมีผลที่มากระทบกับจิตใจเรามากกว่าคือต้องเห็นอริยสัจสี่ภฟในใจของเราที่เราฆ่าก็เพราะว่าเร า, เรามีตัญหานั่นเองเรามีความทุกข์ในใจแล้วเราต้องการที่จะกำจัดความทุกข์ของเราด้วยการไปฆ่าผู้อื่นนี่ไม่ใช่เป็นการกำจัดปัญหาที่ถูกต้องการกำจัดปัญหาที่ถูกต้องก็คือการการที่ไม่อยากจะไปฆ่าเขาต้องดับความอยากที่จะไปฆ่า เพราะความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ความไม่สบายใจขึ้นมาอันนี้มันต้องอยู่ตรงนั้นมากกว่าอยู่ตรงที่ที่ที่อริลยสัตว์สิ่ที่มีอยู่ในใจของเราและเราเห็นได้ได้วยปัญญาของเราทีานี้หมายถึงว่าการพิจารณากายก็การที่เราพิจารณาอยู่เป็นหนึ่งนิดนีเนี่ยจึงเป็นธรรมชาติที่ทำให้เกิดความคิด ที่หนักแน่นในการเช่นเดียวกับการถือสิงใช่ใศาศาคือให้เราให้เรายอมรับความจริงไงว่าชีวิตของเราเนี่ยในที่สุดมันก็ต้องร่วงโรยไปไม่ต้องต่างต่เป็นธรรมดาอยู่แล้วแล้วเรื่องอะไรที่เราจะต้องไปทำผิดศีลผิดทรรเพื่อที่จะมารักษาให้มันอยู่ต่อไปได้ไม่กี่วันหร <c oughs> ือกี่เดือนกี่ปีมันไม่คุ้มค่ากับ กับการที่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติและเราไม่ต้องไปทำผิดศีลเราไม่ต้องไปรับวิบากของการทำผิดศีลมันมันจะเห็นอยู่ภายในใจของเราเอ ง, องลองปฏิบัติไปเรารักษาศีลไปเรื่อยๆครับรากานตรงนี้ก็รักษาไปแบบเป็นการบังคับแต่ต่อไปถ้ามันมันเห็นปัญญาแล้วมันจะเห็นว่าอาการไม่ทำ การไม่ทําบาปนี้มันทําให้ใจเราสงบทําให้ใจเราไม่มีความทุกข์วุ่นายใจถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วต่อไปมันก็จะไม่ทํำบาปต่อไปพอทําบาปแล้วใจมันจะขวงญประวายจะเป็นกังวลจะวิตกจะหวาดภาวะหวาดครัว่อไปมันก็จะไม่กล้าทำถ้าทําไปแล้วมันมัเห็นความรู้สึกอย่างนั้นต่อไปมันก็จะไม่ไไมลมกล้าทํา เจ้าค่ะจรงแบบในในแง่ของการที่เดินพิจารณากายในท่านอาจารย์เจาคคื อ, อการทําอย่างนั้นเนี่คือการทําพิจรารณาบ่อยๆเป็นนิ่งนี้จนเป็นความคิดที่เป็นธรรมชาติเช่นเดียวกับการถือศีลอย่างนั้นท่านคื อ, อมองบังได้ก็คิดคิดเพื่อให้ปองได้นั่นเอง้ายอมรับความแก่ความเจ็บความตายว่าเป็นธรรมดาเราอย่าไปฝืนธรรมชาติด้วยวิการไปทําผิดศีลผิดธรรม บางคนยอมยอมทำผิดศีงผิดธรรมเพื่อที่จะยืด อ, อายุของตนหรือเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีเงินรักษาถ้าจะต้องไปทำผิดสิลผิดธรรมเพื่อให้ได้เงินมารักษาร่างกายนี้ก็จะไม่ทำถ้าถ้าเรายอมรับความจริงว่ามันเป็นวิบากของเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้ามันไม่มีปัญญาที่จะรักษามันก็ปล่อยให้มัน รักษาของมันนเไปเอ ง, เองตามธรรมชาติถ้ามันจะหายก็หายถ้ามันจะไม่หายก็ถือว่ามันก็บุญเราก็หมดตรงนี้ก็แล้วกันอย่างนี้เราก็ไม่ต้องําบาปไม่ต้องไปไปโกงไปหาเงินมาโดยวิธีที่ไม่ชอบเพื่อที่จะเอาเงินมารักษาร่างกายของเรา ถ้าเราไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายว่าเป็นธรรมดาเราก็จะพยายามต่อสู้ทุกวิธีทางเวลาเจ็บข้า่งได้ผลก็ต้องหาเงินหาทองหาหมูหายาหาหาได้แบบไหนก็เอาทั้งนั้นจะผิดศีลหรไม่ผิดศีลก็เอาทั้งนั้นขอให้ได้ให้ได้รักษาชีวิตของตนให้อยู่ได้ต่อไปมันไม่คุ้มค่าเพราะเดี๋ยวมันก็หายวันนี้เดี๋ยวอีกไม่กี่วันมันก็เป็นอีก ในทีสุดมัก็ต้องตายอีู่ดีสู้อยู่เฉยๆดีกว่าคือถ้าเราไม่สามารถที่จะทํารักษามันได้ตามตามตามกำลังของเราโดยที่เราไม่ไปต้องไปทําผิดสิ่งเราก็ถ้าเราทำอย่างนี้ไม่ได้เราก็ปล่อยให้มันไปเป็นไปตามธรรมชาติของมันถ้าเรายังรักษาได้เราก็รักษา แต่รักษาอย่างไรเราก็รู้ว่ามันสักวันนึงมันก็รักษาไม่ได้อยู่ดีร่างการนี้ก็มีอยู่สามโลคด้วยกันโลกสามชนิดด้วยกันที่เราจะต้องพบด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะรวยหรือจะจนโลกชนิดแรกก็คือมันเป็นแล้วมันหายเองไม่ต้องรักษาก็ได้โลคชนิดที่สองเป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหายแล้วโรคชนิดที่สามก็คือเป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หาย มันก็ต้องเจอสามโลกนี้ทุกคนถ้าเรายอมรับความจริงกันได้เราก็จะไม่วุ่นวายใจกับการเจ็บค้า่ได้ป่วยก็ทำใจแล้วก็แยกใจออกจากกายจอตายรักให้มากๆว่าร่างกายเป็นเพียงดินน้ำามไฟเป็นเพียงรถยนต์ทันเนินเราเป็นคนขับเราไม่ต้องไปเดือดร้อนกับมันซ่อมได้ก็ซ่อมไปซ่อมไม่ได้ก็ปล่อยให้มันตายไปท่านก็จบสบาย การพิจารณาก็เพื่อให้ตรงได้ให้ยอมรับความจริงให้ได้เพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปทําบาปทํากรรมไม่ต้องไปวุ่นวายให้เหนื่อยยากไปแบบนี้เช่นพาหันที่ท่านท่านถูกคนย่อใจามาปองร้ายทำร้าชีวิตท่านท่านก็มีฤทธิ์มีเดชท่านก็ไม่ใช่ท่านบอกว่าถ้าฤทธิวันนี้หนีไปได้วันนี้พรุ่งนี้เขาก็ตามมาเรื่องของวิบากนี่หนียวไม่พ้นท่านก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามวิบากกรรม แต่ใจของท่ไม่ได้เป็นอะไรท่านมีปัญญาท่านแยกใจออกจากกายไนดะ้ท่านเห็นว่าร่างกายนี้ของท่านเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นไม่มีความจาเป็นจะต้องไปดูแลรักษาแบบผิดศีลผิดธรรมนี่คือคือปัญญาเป็นอย่างนี้ถ้ามีปัญญาแล้วก็จะรักษาศีลได้ถ้าไม่มีปัญญารักษาศีลก็รักษาแบบบังคับไปฝืนบั ง, บงคับไปแต่ถ้า กิเลสมันมีกำลังมากกว่าก็ฝืนสู้เหมนไม่ได้พราะเราบางทีอยู่ในสภาพาปลอดภัยแล้รักษาสิง่งกันได้พอถึงเวลาที่จะต้องเอาตัวรอดนี่ไม่มีใครอ่ะบางที่พ่อแม่ก็ยังเหยียบข้ามหัวไปได้เลยถึงเวลาที่จะเอาตัวรอดทุอย่างมันอยู่ที่กําลังของสติปัญญาและกาลังของกิเลสในแต่ละคนถ้าคนมีสติปัญญามากกิเลสมากรับก็จะเขาก็จะ มีธรรมมากเขาก็จะทำตัวของเขาให้ถูกต้องได้มากกว่าคนที่ไม่มีกิคนที่มีกิเลสมากมีทมาํามเนยคนมีกิเลสมากก็จะเอาความเห็นกับตัวนี้เป็นใหญ่เอาตัวรอดก่อนใครจะเป็นยังไงไม่สนใจแต่ถ้าคนมีทํามก็อาจจะคิดว่าพ่อแม่สำคัญกว่าชีวิตของเราสามา้ชีวิตของเรามาจากพ่อจากแม่เรื่องอะไรที่เราจะต้องทิ้งพ่อทิ้งแม่ เรายอมตายเพื่อให้พ่อแม่อยู่จะดีกว่าเขาก็จะคิดเอง น, นได้เราไม่อยู่ที่การได้ฝึกฝนอบรมธรรมะที่มีให้มีฝังไว้ในใจไว้เป็นเครื่องต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่างๆนี่ถ้ามีธรรมะมากก็จะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไม่ให้เกิดความเสียหายทางด้านจิตใจ เราจะรักษาจิตใจให้สูงไว้ให้ดีไว้ด้วยการเสียสละจาคะด้วยศีลด้วยขันติด้วยความอดทนอดกลั้นนี่เป็นคุณธรรมที่เราสามารถปลูกฝังไว้ในใจถ้าเราอยากจะให้ธรรมะเป็นผู้นําทางเราเราก็ต้องมีจาคะมีการเสียสละมีศีลคือไม่เบียดเบียนพวกมีขันติมีความอดทน มีธรรมะมีความอดทนได้นะมีอะไรไหมถ า, านะมมาพี่อยากเรียนถามนะคะอ า, าจารย์คือ เป็นปัญหาในการภาวนาพอดีจะออกจากสมาธินาแล้วลเนี่ยเรียนตายแล้วพยายามอดมนแล้วแต่ร่างกายไม่ยอมไม่ยอมขยับคือร่างกายยังเมือมนยากต่างนี้ไม่เงจะแก้ปัญหาย่งไ อ, อก็นําต่อไปก็ได้กั่นต่อไปนั่งทั้งคืนเลยก็ได้บางท่านท่านเอาตากชั่วโมงไปเลยไม่รู้เล ย, เลยก็ได้ เวลาเจ็บก็ไม่รู้ต่อสู้กับความเจ็บคือปล่อยวางความเจ็บไม่ได้ต่อสู้ปล่อยเขาเจ็บไปเขาจะเจ็บก็เจ็บไปเขาจะหายก็หายไปแต่ใจเราอย่าไปยุ่งเกี่ยวเขาอย่าไปอยากให้เขาหายอย่าไปกลัวเขาเขาอยู่ก็ให้เขาอยู่ไปเขาเจ็บก็ปล่อ ย, ขขยเขาเจ็บไปถ้าเขาดับก็ปล่อยเขาดับไปถ้ารยังสามารถปฏิบัตินั่งต่อไปได้ก็นั่งต่อไปไม่เป็นปัญหาอะไร เร่าไปกลว่านี่เป็นการติดสมาธิการติดสมาธิหมายถึงว่าทำแต่สมาธิอย่างเดียวไม่ไม่สลับกับการทำปัญญาแต่้นช่วงที่เราทำสมาธิถ้าเราอยากจะทำ24ชั่วโมงตลอดเวลาก็ทำได้แต่เมื่อเราไม่ได้ทำสมาธิแล้วเวลาเราออกมาเดินจงกรมเราก็ควรที่จะเจริญปัญญาสลับกันไปไม่ควรแต่เดินจงกรมสัตวแต่ว่าลุ้งเฉยเยใช่จะเจรจิสติอย่างเดียว เดินแล้วเรรู้ว่ากําลังเดินก้าวท้าซ้ายก้าวขวาก้าวหนョย่องหรือวางหนョ อ, อะไรอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติถ้าเราเดินจงกรมให้พิจารณาธรรมพิจารณาตายแลพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายอันนี้จังทุกข์ขังนิรันด์ดินน้ำลมไฟอย่างนี้เป็นการสลับกับการทําสมาธิเวลาไม่ทําสมาธิก็ให้เจริญพิจารณาทางด้านปัญญาหรือทําใม่พิจารณาปัญญาก็ให้ทําให้เจริญสติไว้ก็อย่างดี แต่ต้องต้องทําทั้งสามส่วนนี้ถ้าไม่เจริญสติก็ให้เจริญปัญญาถ้าไม่เจริญปัญญาก็ให้เจริญสมาธิอย่างนี้แล้วการปฏิบัตินั้นก็จะสม่ำเสมอแต่บางคนที่ไม่ได้มีครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์มาสอนพอทําสมาธิก็จะทําสมาธิอย่างเดียวเวละนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิพอจากสมาธิก็ไม่ทําอะไรเลยสติก็ไม่เจริญปัญญาก็ไม่เจริญ ทำงานทำการทำไรไปตามกระแาเหมือนกับว่าไม่เคยปฏิบัติมาก่อนพอถึงเวลายอยากจะนั่งสมาธิก็กลับมานั่งใหม่ออย่างนี้เขาเรียกว่าติดสมาธิทำทำแต่สมาธิอย่างเดียวถ้าได้สมาธิแล้วออกมาก็คนที่จะเจริญปัญญาได้เการเจริญปัญญาก็เป็นการเจริญสติควบคู่กันไปเพราะถ้าไม่มีสติมันก็เจริญไม่ได้สติต้องมีอยู่อยู่อยู่กับการเจริญปัญญา พิจารณาอย่างต่อเนื่องพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญปัญญาเพื่อสอใจให้ยอมรับความจริงความจริงของชีวิตขอ ง, องร่างกายเมื่อสอใจเรื่อยๆต่อไปมันก็จะฝืนความจริงไม่ได้พอถึงเวลาแก่มันก็จะยอมรับเพราะมันรู้ว่าถ้าไม่ยอมรับมันจะทุกข์ใจขึ้นมามันจะกลัวขึ้นมาแต่พอยอมรับรับความกลัวความทุกข์ใจก็จะหายไป ถ้าอยากจะพิสูจน์ก็ไปหาที่มันกั้นความกลัวให้มากๆแล้วดูว่าเราจะดับความดับความกลัวได้หรือเปล่าถ้าเรายอมตายความกลัวนี้นมันก็จะดับไปพ้าเราสอนใจดีมากๆแล้วตอไปมันยอมตายดีกว่ากลัวเพราะความตายมันไม่ทุกข์ความทุกข์อยู่ที่ความกลัว น, นะคงความตายนี่มันเพียงแค่ไม่หายใจปั๊บมันก็มันก็ตายแนละ้ว การนี่ความกลัวนี่มันยังมันยังไม่ตายมันก็กลัวละมันทุกข์ละแล้วลทุกไปจนวันตายแล้วเมื่อเราเปรียบเทียบเราเห็นว่าความตายนี้่ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นโทษแต่ความกลัวตายนี่ก็เป็นโทษเป็นทุกข์ก็เกิดจากความกลัวความกลัวนี่ก็เป็นสมมติฐานนี่คือเป็นวิภาวะทางหาความอยากไม่ตายก็ทําให้เกิดความกลัวขึ้นมาเป็นความทุกข์ขึ้นเมื่อเรามี ตายรักอยู่ในใจเราเราก็ต้องยอมรับเพราะความจริงนี้ไม่มีแค่ถึงได้แม้แต่พระพุเจ้ า, าก็ต้องตายถ้าเราทํำไมจะตายไม่ได้ใช่ไห ม, มเรายอมรับแล้วมันก็จะไม่ทุกมันก็จะไม่กลัวมันก็จะอยู่อย่างสบายไปจนถึงวันตายไม่มีความหวาดกลัวปลอดภยอยัยต่างๆอย่างมากก็แค่ตายคิดแค่นี้นะ อาจารย์จะไปรัฐประหารค้างเมื่อไ่ครับมาเดือนนี้ครับผมณในครั้างคืนครับไปพอดี กราบขาวว่าท่านอาจารย์ทุยท่านจะลงครับลงมือนยี่ิบเก้าแล้วก็ท่านจะไปค้างคืนหนึงห่งในหมู่พวกลูกศิษย์เขาก็ชวนผมผมก็เลยเอาไปตอนที่แรก่าเอาไปก็เราจะไปเขาไปค้างคืนเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนถ้าหลงตา้าหลงตาลงเขาใหญ่ผมก็ไม่ไปขานั้นก็ยังสบายดีอยู่นะ ก่อนมีหมอที่โรงพยาบาลสิริกิติ์ขาก็มอกเขาก็ไปดูแผ้ขรงน้อาอนเยอะหมอที่ไปไหมรวจที่ว่าตนตาอันนี้ทำมาเป็นก อ, อ, องนการที่โรงพยาบาลศิริกิตติ์เ็ก ม, มันดูท่านอาจาร์ได้ไหมป่ ะ, อะมอยดูเราไม่ได้เป็นอะไร <laughs> <laughs> <laughs> ไม่มีอะไรก็ให้พอนะ